การที่พวกเรามาระวาด ก, กันม า, ท, า ท, ำทำเพื่อความธรรมมาทำุญให้ ท, า ท, า ท, าทา่านมากนับท่านก็ทํำเพื่อใจของเราทํานั้นไม่ได้ทาเพื่อสิ่งอื่นและก็ไม่มีอะไรที่เป็นสำคัญเท่ากับใจของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากใจทั้งสิ้นไม่ว่าในทางโลกหรืในทางธรรม มีใจเป็นผู้็นประทาการเป็นใหญ่มนตหลบปิดบังมามายาทรมามายานรยานายาไม่ลงเสกาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประทานทุกเป็นทุกอย่างกับขึ้นได้ด้วยใจที่เป็นอย่างที่เรามีใน่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรวลนเครื่องบินรถไฟเรือ เป็นอะมีใจเป็นผู้สร้างเป็นเป็นผู้เยอะเเป็นผู้คิดแล้วก็ผ่านผ่านทางกายระหว่างะาําให้เกิดเกนดการอนี้ข no nice ึ้นมายิน่าแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยะทั้งหลายก็มีใจเป็นผู้ทาให้าเกิดขึ้นมาต่างกันตรงที่ ว่าจะมีอะไรเป็นผู้หลักงานจากถ้ามีอวิุชากิเลสปัญหาเป็นผู้หลักงานก็จะออกมาทางโลกมาสร้างสิ่งต่างๆเป็นจรวดดาวเพียมเพราะใจตอนนี้อยากจะไปโลกอื่นจำอยากจะไปโลกประจำอยากจะไปยาวนานจะคิดค้นต่างๆนานาหาเครื่องม้าให้มีต่างๆ ก็ผลิตเป็นการวูดเป็นสถานีอวกาศพิลานอากาศก็เกิดจักใจเร่งนี้เหม น, นหรือถ้ า, าการปรากฏต้นของพระพุทธเจ้าหรือของพระ อ, อรหันตาสาลกก็เกิดจักใจเหมือนกันแต่เป็นทาในผู้กับดิ์สิทธิ์ให้ไปพา อ, อย่างพวกเราวันนี้มาวัด ก็มีทมเป็นผู้ถามนำทางมาเราึงมาปฏิบัติธรรมดีเราความแท้ทมธรรมนื้ทำดีถ้ารกถ้าเรามีอวิชชาี่เลยคัาสัตว์เราก็คงจะไปเที่ยวกันตามสถานท่องเที่ยวกันต่างไปบอกการพนันไปตารงานประทังรวมต่างๆ น่นเป็นอวิชชาทางอาวิชชาก็คือความเห็นผิดควมชอบส่วนทางก็เป็นความเห็นผุดต้องที่ถูกต้องไม่ว่าสัมมาทิฏฐิเพราะใจนม้จะไปเหมายกับรถยนต์แล้วผู้ขับก็ควรทิฏฐิความเห็นให้เป็นไปได้ทั้งด้านด้วยกัน ทำมาทุกข์ทุกข์ความเห็นแก่าดมิตรช้าทุกข์ความเห็นจิตเป็นข้อขั้นีความเห็นจิตเป็นข้อความใจก็จะพาให้หลงเวียนว่าใจเจ็บมันพบง่ายพบยางตามอำนาจของความโลภของความอยากต่างเพราะความโลภความอยากนั้นไม่ได้ให้ความดีความแท้ถ้าเป็นเช่นนั้นได้มามากมอกเท่าไหร่ก็ยังมีความโลภความอยากติดเหมือนเดิม และมีมากขึ้นไปมีความรุนแรงมากขึ้นไปนเรื่อยๆก็จะผักงานให้ใจต้องเดินทางไปถึงพบหน้าช า, าติน้าเนื่องจากที่ล่าตานี้กระชั้นกระชั้นกระ้นใจนี้ก็ยังมีความโลกความอยากอยู่มีนิสชาทิจิมีอนิชจาก็จะผักงานให้ไปแสวางหาสิ่งเดินโยอย่างที่เราแสวงหา กันอย่างคนที่มีมวิจชาธุรกิจแสวงหากันในตะกัลเขาเคยสวงหาอย่างนี้มาัเนเวลาย า, าวนานแล้วก็จะสวงหาอย่างนี้ต่อไป เ, เ, mm. เรื่อยเ่อจนกว่าเขาจะมีโอกาสสาจจะได้พบกับคนที่มี มีสมาธิความเห็นา็จะเป็นพระพุทธเจ้า ก, กันดีพาาาระอรหันต์ภาษาลัคดีหรือสหธรร ม, มิกะเชื่อถืงงานานูกัลยาณมิตรที่มีความเนต่างแกกเขาแล้วที่แม่เขาแล้วเขาเกิดศรัทธาก็ลองปฏิบัติดูก็อาจจะเป็นจุดผักเหยของชีวิตของเขา ไม่เปลี่ยนจากการดำเนินชีวิตตามอำ น, นาจของอวิชชาไม่ช้าทิกสุไปตามอำ น, นาจเขาทำฉันมาที่สิถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็จะเหมือนไปอีกอีกแบบหนึ่งคือจะวัตตะก็จะจะแกล้งเป็นวิวัตตะคือเส้นทางกับวัตตะการเวียนว่ายตาเกิด นิวัตตะก็คือการส่นกระแ ส, ข, ส, ข, ส ข, ของของวัตตะมันเองก็จะทำให้ทบชาติต่างๆนั้นต้านแรงไปน้อยแงตเพราะความโลภความอยากต่างๆจะถูกทำลายการดำางแบบเรื่อยๆโราเราที่อยู่องเรานั้นคงมีอยู่ข้ั้งหนึ่งไม่ว่าไม่ทราบว่าจะเป็นชาตินี้นี้ในชาติก่อน ที่ได้พบกับผู้ถกเถีอได้พบคนที่แนะนำเรื่องของความสุกต้องท่ากับเราหรือเราอาจจะคิดขึ้นมาเองเห็นว่าการกระทาต่ามความอยากต่างการสวยหาความสุขต่างจากสิ่งต่างๆในโลกนี้แค่ลูกเสียงสิ่งโลกกฎนั้น ไม่ได้เป็นการให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ให้ความอื่นความพอเ้าก็เลยอาจจะคาดควรคิดแล้วก็เห็นว่าทางทางความสุขที่แท้จริง น, นั้นกับอยู่ทางอีกทางหนกันก็คือการยังรับการต่อสู้กับความโลภ ก, กับความหลๆแล้วก็อาจจะมี าการณ์หรือว่าบุคคลที่มีความเห็นค่าเท่ากันได้พบเจอกันได้เห็นกันมาท ำ, ทำกันได้ววความทำกันก็จะช่วยส่งเสริมความความเห็นตรงตนความเชื่อมั่นตรงตนทำให้มีภานกล้าหาญที่จะปฏิบัติให้เชิ่มข้อยิง่งขึง้นไป่าจนถึงขั้นที่เห็นความจริงอย่าง ทางแท้อย่างชัดแจ้งว่าทางนี้คือทางเดีย่านั้ที่จะพาไปสู่ทวามนุ่มเยียนเป็ น, ปนสุขหือการดุดท้นจากความชุกขง้งปวได้เั้นพวกเรานี้คิดว่าของได้พบกับจุดอักเสบมาแล้วหนึ่งได้มีมีฉันทะวิริยะความพอใจมีความภาเภียนที่จะ โดยตามทางที่อขปตะและพระอานตสลาลทั้งหลายได้ดันงนั้นและได้นําเอาเราเผยแผ่ทางสองให้กับพวกเราได้ปฏิบัติตามดังนั้นถ้าเราปฏิบัติตามอย่างไม่ทอแค้อย่างธรรมะขันเณรแล้วก็ปฏิบัติให้มากยิ่งๆขึ้นไป ก็เชื่อได้ว่าไม่อช้าก็เลยทั้งวั น, นเพืก็จะถึงสดจหวายปลายทางที่ที่ดีที่เลิคือมรรคขมงท่ายได้อย่างแน่นอนแต่เราต้องเป็นคนที่มีความมีวินัยในตัวเราเราต้องบังคับข้อต่อให้เป็นไปตามอารมณ์มันก็จะเป็นแบบกระต่าย ก็ต่ายที่วิ่งแข่งกับเต่าเต่านี้มือวิ่งน่อยมันน่าจะเดินช้าแต่ไม่หยุด ท, ทําไปเรื่อยๆเดินไปได้่อยๆกระต่ายนี้อาจจะวิ่งไปตามอารมณ์มันมันไหนมีอารมณ์อยากจะวิ่งก็วิ่งมันไหนไม่อยากจะวิ่งก็มันวิน่งแล้วถ้าเกิดเจออารมณ์ที่ไม่อยากจะวิ่งมากกว่าวิ่งมันก็ไปไม่ถึงไห น, นแต่ถ้าเรามือวิน่ยแล้วเรา ทำไปเนี่ยมันจะติดเป็นนิสัยกับจะทําให้ทําำแบบไม่หยุดไม่ยากหรือแม้จะช้าหรือแม้จะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มีความตั้งใจมีควาแมแน่วแน่ที่จะทําอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเอนเื่องและทําให้มากเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรจะมาขวางขัดรั้วขวางางได้ อยาเลยสภาวที่ทุกข์ไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นดังนั้นพวกเราก็มีเหตุมีตัดใจที่ดีแล้วคือมีจ ม, มาัติมีความเห็นชอบอันนี้เราก็ต้องมีความเพียรเพว่าวิทยาความภาคภูมิเพราะว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ จะไปถึงมาตรฐานได้ก็ต้องไปด้วยความเพียรเป็นส่วนประกอบสำคัญคือคุณธรรมอย่างอื่นก็สำคัญเช่นสติปัญญาพลาธทกเรามีศรัทธาแล้วแต่นี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้มากก็คือจเจริญสติด้วยความภาคภูมิเราจะเจริญ สมาธิตา่าลําดับต่ อ, อไปแล้วก็เจริญปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะหยุดท้นจากจากความทุกข์ทั้งมดบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยคุณธรรม ท, ทั้งห้าประการ ม, มีศรัทธามีความเชื่อในการ ด, ดารำเนินชีวิตตามระธรรมตา ม, า, า, มามพระธรรคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยความอุตสาหพยายามขยันหวั่นเพียงตั้งสติอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาตั้งแต่เปนไน้ให้ใจอยู่โดยไม่มีสติคือให้มีอะไรว่าเป็นเครื่องควบมัดจิตใจไว้สปหลับไงให้ลอยไปลอยมาตามอารมณ์ต่างๆถ้าอยู่กับพุทธโธพุทธโธก็ได้ ให้าอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ถ้าอยู่กับลมหายใจก็ออกก็นดเราสามารถเปลี่ยนหลักเหล่านี้ได้ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเรากำลังคือลมหายใจก็ออกก็ไดถ้าเรากำลังเดินกำลังเคลื่อนไหวเราก็ให้มีจิตเต็มกับการเคลื่อนไหวกำลังเดินให้มีประการเดินถ้าเดินอย่างนั้นละกันไม่ลื่นไม่ล้มจะเต็มถึงนั้นถงนี้ แต่ถ้าเดินตายแล้วก็คิดไปในใจถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีนะดีเดินเรื่องหกล้มไปเดินไปชนไปเตะถึงนั้นถ้งไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติอีกตัวถ้ามีสติกบตัวจะรู้ทุกย่างก้าวว่ากําลังก้าวจะรู้ว่าข้างหน้าที่กําลังก้าวไปนั้นมีอะไรอยู่ข้างหน้านี่คือความหมายของการมีสติ คือถ้าเราเ่ารับประทานอาหารก็ให้อยประการรับประทานอาหารอย่างเดียวอย่าไปคุยกันอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่งนี้เร่องคงจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับฆราว่ายากเดียวเพราะไม่เคยได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติแบบนี้กันส่วนย่างจะถือการรับประทานเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเวลาจะคุยกันก็พูดท่าไปด้วย เป็นนักปฏิบติตของคารววาถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้การปฏิบัติของเรา mm. ก็จะไม่เจริญไม่รุ่หน้าอีกไปถ้าเราดูวิธีการรับประทานหารวิตุพันธ์ค็ด mm. ดูจากพระเวลาพร mm. ท่านฉันท่านไม่คุยกัน mm. ถึงาน่้จะมีพระอยู่ร้อยลูกพันลูปในที่เดียวกันก็จะไม่มีเสียอะไรออกมาเลย เจ้องจะแข็งด้วยการมีเสถกยรแแต่การกเที้ในในในยวนี้ก็ยังต้องระวังอย่างแบงาใครไปเคี้ยวด่างๆข้าเดีย่ยวก็ดองบางทีมันมีผักผักบุง่างเงี้ยเราเคี้ยวเปล่าเรล่าท่านก็มองนะเพระงสารเพราะที่องค์การมองกันเพราะที่องค์่ีเคี้ยเนี่ไม่รู้ส็กตัว แต่ผงที่ดูนี่เวลาเที่ยวถ้ามนันดังต่อที่ต้องหยุดเอกแล้วก็หยุดเพาเดี๋ยวก็เต่อติดขังแสดงว่าอย่างน้อยมีสสิคือมันมีเสียงแตกก็พยายามที่จะให้มันมีจังหวะแสดงว่าค่อยๆเอาที่รักคำที่รักคำหรือ้าไม่จาเป็นแล้วไม่เอาเลยของอะไรที่เยอที่่ายแล้ว ม, มีส่งเสียงดั่างนี้่าจะตัดลงไป มันก็จชอบแข็งอยากจะแข็งใช่ไหมเอานี่คือการเพียอสร้างสติถ้าเราทําบราสร้างสติอยู่แล้ ว, ลวใจมันจะอยดีถ้ตัวเราเป็นเหมือนถ้าเป็นสับเรื่องก็เหมือนจับมันถูกถูกไว้เหมืนอนลินถ้าเราไม่ถูกมันไว้จับเสาหรือจับจับอะไรทั้งอย่างเลยมันก็จะไปแท่นทา่าเวลาที่เราจะต้องการ เรียกตัวมันมาเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันคือทังเดินทั้หาทั้งวันก็ได้เพราะมันไปถึงนใหญ่ก็ไม่รู้ใรของเราก็แบกมันถ้าเราไม่ปลูกตัวไว้ด้วยจิให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับกิจกรรมที่เรากำลังทำพอเวลาที่เราจะไปนั่งสมาธิทําจิตให้สงบนี้มันจะยากเพราะมันอยู่ที่นใหน่ก็ไม่รู้จคิดเป็นเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้ อางที่ย่าเยี่ยมฉังเกิดคงจะรู้บางวันนั่นงสมาธินี้ข้าก็ไม่สมนิทเลยนั่งไม่ได้เลยเพราะะนั้นปล่อยจิตให้ไปคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เพเรื่องมันสําคัญเรื่องมันมีความหนักมากเกี่ยวกับชีวิตของเรามีความมีผลกระทบมากต่อชีวิตของเรามันก็เลยดึงให้ใจของเราไปคิดกับมันจน มันไม่มีใจเราไม่อยู่ตับเนี่ยกับตัวตอนนั้นรับรองได้ว่ า, า, าจะนั่งสมาธินี่นั่งไม่ได้เพราะว่ามันเหมืนมันอยู่ใจจะกจัดจากนี้มียู่าย จ, จัดฐาน ข, ของความคุณถ้าเรารู้สึกว่ามันตนั้นนัง่งยากถ้าเราเคยบ่อยจำพุทธโธแล้วบ่อยจมพุทธโธไม่ได้หรื อ, อถ้าเราดูลงหายใจเข้าออกงอนดูไม่ได้ ก็จะต้องอาศัยอิบานเช่นเปิดธรรมะเทศของครูบาอาจารย์ฟังเป็นของเป็นการการเปิดใจแล้วแต่ก็ต้องฟังด้วยสติไม่ใช่ฟังแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องต่างๆหรือเมื่อเช่นนั้นก็สวดมนต์ไปก่อแต่ก็ต้องสวดด้วสติอยู่ให้อยู่ความจดสวดมนต์พยายามดึงไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆ หรือที่คือที่คือที่สดก็คือใจพิจัญญาถ้าเป็นพิจารณาของเรื่องที่เราไปกัางวลไปเกี่ยวข้องตอนเรากล่อยวางไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นใจละก็ไม่ช้าก็เร็วทั้งวันหนึ่งมก็ต้องหมดไปมันก็ต้งตองจบไปหรือมองว่ามันไม่มีสาละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของปลอมเท่านั้นถ้าเป็นความสุกก็เป็น ค, ความศุกปรอม ถ้าเป็นสมบัติก็เป็นสมบัติว่ามไม่ต้องเปเสียดายเพราะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเสียเงินไปอย่างเดียเมื่อเราตายไปสมบัติเหล่านี้เราก็ออกไปไม่ได้ความสุขแบบนี้เราก็เอาไปไม่ได้ตไไไดแต่ความสุขแท้นั้นอยู่ที่ความเฉลียวฉลาดอยู่ที่ปัญญาที่ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ถ้าเราใช้ปัญญาคิดปัญญาเพื่อ จ, จะทํา ถ้าจิตเห็นดัางที่เราพิพ จ, พจนารณาแล้วมันก็จะตับได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องทีุ่ำคันได้ถ้าเราก็หนเราก็เข้ามาทำภาวนาได้ทำจิตให้สงบเนึ่งสบาพอจิตสงบนึ่งแนะล้วจะเรื่องระดับไหนก็ต่างแล้วก็เรียกว่าเป็นสมาธิลนะจิตตั้งมั่นจิตไม่รอยไปลมานะ เมืในขณะนั้นจิตจะไม่คิดตรงอะไรเราไม่ต้องบริกรรมที่เธอก็ได้ไม่ต้องมี่งหายาจกระได้จิตเป็นนั่งไปจิตเปนนั่งอยู่เฉยแต่ชาหรือจะกัญญาหรือจะหน้าญาณเพื่อเพ่อดูับกําลังของการปฏิบัติทงานถ้าเราปฏิบัติมากมีกำลังมากสติมีสติมากจิตก็จะสงกงาน การมีสติ๊น้อยสติ๊กจะสนิท ม, มากดังนั้นการึกสติ๊กจะสนเป็ น, ปนส่วนที่สำคัญ อ, อย่างนี้ต่อการเจริญสมาธิเนี่เจริญปัญญาการลําดับต่อไปแล้วการเจริญสติก็เป็นส่งที่เราสามารถเจริญได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในวัดก็ได้อยู่นอกวัดก็ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํา ง, งานก็ได้แต่ สถานที่ก็มีถูกประกอบที่จะช่วยให้การเจริญสติ ง, ง่ายหรือยากไ ม, ม่ว่าจัไกายะถ้าจสถานที่สงบสงัดที่เวทอยู่คนเดียวการเจริญสติจะง่ายกว่าอยู่สองคนหรือสามคนเราอยู่สองคนสามคนนักจิตมักจะทิศถึงอีกสองคนสามค น, มคนจะคิศไปไปถึงไปกังวล เราอยากจะคุยกับเขาอย่างนี้คนต้องแต่ถ้าอยู่ลำทางคนเดียวแล้วก็ไม่รู้จะไปคุยกับเขาก็ะจะทำให้การดูแลการรักษาสตินั้นเป็นตา ย, ยากต่อเนื่องแล้วเมื่อเราั่งสมาธิก็ะจะสงบได้ง่ายกว่าเพราะไม่มีอะไรมาผิดกระท่ารากใจให้ไปไปผู้อื่น ถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงอกกติภูมิควรจวนั่งทำสมาธิอย่างลำบากว่าเดี๋ยวเสียงอะไรเข้ามากระทบกับจิตจิตก็จะลอยไปหาเสียงนั้นหร่จะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเกิดความินคาญขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาก็ยิ่งทให้จิตขุ่นมัวยากต่อการทําให้สงบได้ ก็เป็นเป็นหมายวามว่าการเจริญสติการปฏิบัติของเรานั้นจะต้องรอเวลาที่เรามีสถานที่สงบสงบเท่านั้นเพราะชีวิตของเราบางทีมันยังมีความสุขทากับสังคนกับการทํางานทําการอีูเราก็ต้องพยายามปฏิบัติในสภานที่เราอยู่นั้นไปถึงแม้จะไม่ได้ร้อยถ้าได้เพียงสิก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าปฏิบัติไม่ได้รอดเหมือนกับตอนที่เราอยู่ตามวัดตารป่าตามเขาแต่เราปฏิบัติแล้วเรายังได้สติ ก, ก็ยังดีรักษาสติได้บ้างก็ยังดีสามารถรักษาได้ขอให้เราคิดว่าขณะที่เราเดินไปไหนมาไหนว่าเรากาลังเดินจงกรมขณะที่เรานั่งรออะไรเราไม่มีความเป็นเปนไม่ต้องคิดเรื่องอะไร ก็ขอให้เราคิดว่าเรากำลังนั่งปวดวนกำลังนั่งทำสมาธิมนุษ ย, ย์ทั้งทุกโตทุกโตใจลอยใจผีเนื่อยๆถ้อย่างนี้แล้วพอเรากลับบ้านตอนเย็นก่อนจะนอนอ่าบน้ำอาบผ้าเสร็จเราก็นั่นนงสมาธิจิตก็จะสงบมากแล้วตอนเช้าเอตื่นขึนมเราก็นั่งได้อีก แต่เราต้องตัดอย่างอื่นไปเพราะว่าถ้าเราไม่จัดเราจะไม่มีเวลาพอกับการพักผ่อนหลับนอนต้องจัดช่วงมรดกอะไรต่างๆไปเสร็จงานกลับบ้านจะกินข้านะเสร็จก็นอนเลยพอแล้วเนี่ยความเป็นเธอต่างๆในเรื่องนี้มันเป็นของจอดเพราั้มันเป็นตัวที่จะขัดขวางให้เราได้พักผ่อนเสร็ที่แท้จริงในสกัดความได้ราได้พักผ สมบัติที่แท้จริงของเราตาัดมัไปเลยอย่าไปเสียดาลยถ้ามาถึงนั้นแล้วการปฏิบัติของเราถึงไม่ตัง้งมันจะหลอกให้เรานอไปวัดของแล้วปฏิบัติแล้วตีหนึว่า จ, จะไปได้เพ็ยครั้ ง, งเดีก็จะไม่พอกับเวลาที่เรามีอยู่เพราะการปฏิบัติที่จะให้เป็นกอดเป็นจัง น, นี้ยท่านบอกต้องปฏิบัติอย่างตลอดเวลาเลย เพราะพเรยังทำงานตลอดเวลาทวิชาทา ง, งานตลอดเวลามิชาพิจิตทำงานตลอดเวลาคอยหลอกคอยร่อเรามีู่ตลอดเวลาการทำนี้เราทำไม่ได้ปัจจุบันตลอดเวลาก็นอนเขาล่อยโดยปาเหลี่ยมไม่ไม่ได้ต่อยเขาเลยเขาก็าเลยมีกาลังมากตอ่อราแตถ้าเขาล่อยเราทีเราล่อยเขากลับจะคือ ต่างคนต่างต่อยตอันนี่มันก็พอพัาโคลุมอยูครับแล้วถ้าเราต่อยมากมากกว่าเขาต่อยเราเดี๋ยวเขาก็แพ้เราเองแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะแพ้สงังเจนมากกว่าเวลาเกิดความโลภแล้วก็โลภตามเวลาเกิดความเกลี้ดแ่เกลียดตา เ, เวลาเกิดความหลงก็หลงตามแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจตามานี่คือผลจากการที่เราไม่ปฏิบัติอย่าง ต่อเนี่องอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนั้นนะมันจะมีผลขัดกันมีทุกบ้างมีสุขบ้างเราจะไม่ทุกข์เสมอไปเราก็ไม่ได้เป็นสุขแบบทางโลกไม่ได้เป็นบบวความสุขจากการได้ดูได้ยินได้ฟังได้ดื่มไม่รักประทานแต่เป็นความสุขจากการที่เราชนะทางโลกทางหยาทางเกิดแต่เราเกิเเราต้า้อดับมันได้ สเสร็จแล้วเราจะเกิดความผลิตผลงานทางอิจารณ์ขเราเวลาโลภแล้วเราตับมนได้ไม่เอาไม่ต้องการไม่สนใจเราก็เกิกดความสลกตขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียงเยงินเสียทองเสียเวลากับการหาทานจิจากเป็นการตัดความโลภถ้าเราทำอย่างนี้เราจะมีเวลาตัดว่ารับประทานอาหารเย็นเป็นอา บ, บน้ำตัดท่าเร็จกล้าไหว้พระกิดบ นั่งทำสมาธิวันละนอนจากหัวค่ำแล้วก็เดียวตนขึ้นตองตืนสา้ภาวนาถึงตื่นหากแล้วค่อยอาบน้ำคทำงานถ้าทําบบนี้เราก็ไม่ต้องไปวัดนะเรวก็ยิดว่าคิตทั้งเราว่ากิบัติอยู่ตลอดเวลาพอตป็นขึ้นมาก็มีสติอยู่กับตัวถ้ารู้อยู่กับตอยู่กับทุกยาก้าไม่ว่าเราจะทำอะไรจะให้เรื่ติอยู่กับ การจะทํานตั้งแต่อ า, นออ า, นอ า, า, าบน้ล้างหน้าแต่นตัวลดตะงานเพื่อลดตะกัเงานหรือที่ทางา น, น, งางานต้องมีสติในการทางานไม่อ้องไปเิ่เรื่องอื่นอย่างนี้ก็เราก็จะได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้รับนองได้ผล จ, จ, จ, ะ จ, จะได้มามากการจะการปฏิบัติจะแิงกน้าจะทำให้เรามีกำลัง คือพละหาคือศัทางวิริยะจิตลอดที่ไปย้จะเจริญแต่ตัววสมมติเขเรียกว่าเป็นอินทรีย์อินทรีย์กับภูมิอยู่มีอยู่บ้างแต่พอเรื่องปฏิบัติเรื่องจเจริญนอกงานแล้วจากอินทรีย์ที่เราจะทลายเป็นพละเป็นพลังอินทรีย์ห้าก็คือศัทาวิริยะ สตสมาธิอัญาพอปฏิบัติพอเจริญพัฒนาไแล้วก็จะกาเป็นลังเป็นพลเป็นะห้าเป็นตถาคยริยะสติสมาธิปัญญาด้วยกันแต่คนละระดับกันไม่ได้ว่าเป็นระดับอริยะก็ได้ถ้ะอริยะท่านเจริญต้องอาศัยพละทั้งห้านั่คือตถาคยริยะสติสมาธิปัญญา ถ้า่อที่จะพัฒนาจิตของท่านให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆหลวงพระโสดาบังนิสิตาของท่านเจ้าไม่ถ่อคล้องไม่สนใจในพระพุทธธรรมท่าน้ทานรู้ว่านี่คือทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้ามีจรงพระธรรมมจรงะสงฆจงเพราะาโสดาบังนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ได้บธรรมไม่เห็นธรรมแล้วเมื่อได้เห็นธรรมก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าเปทนความ องค์ที่พระพุทธเจ้าตรงกล่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นสัจธารมครบผู้เห็นสัจธารมคบผู้นั้นเห็นธรรมและผู้ที่จะเห็นสัจธรรมคบเห็นธรรมได้ก็ต้องเป็นพระอริยสงสารโยชนั้นก็คือพระโสดาบันท่านท่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นท่านได้แล้วต่อไปแล้วเรื่องสัจธรรมจะมีอยู่เป็นเดียอย่างใรก โดยแต่จะอยากจะปฏิบัติให้มีให้ทามีมากขึ้นเรื่อยๆไปในที่สุดก็จะบรรลุถึงขั้ น, รรนพะนนนระอรหันตได้ด้วยคุณธรรมทั้ง5ประการคือาละห้านี้คือปัญญาปิฎกสมาธิ่ริยะดังนั้นพวกเราตอนนี้สติเราก็มีสมาธิเราก็มีกันอยู่นะ แต่ความเพียรมันจะมีไม่มากพอเพียรที่จะสร้างสติถามตัวเองว่าวันหนี่ง24ชั่วโมงเรื่องจุกถ้าเรานอน8ชั่วโมงก็คือ6ชั่วโมงที่เราเติงเราจะจะเ ร, รียนสติกันสักกีหนาทีก็ควรจะตรวจตามดูตัวเองประเมินผลของตัวเองได้ที่เราไปาไม่ถึงไหนกันก็อยู่ที่ตัวเรานั่นเองหรือที่ทางปริบัติของาไม่ว่าอยู่ที่ใคร ถ้าเราประเมินแล้วเราจะทานในตัวเราแ้วาอาจจะคิดว่าต้องเปี่ยนใเราจะคิดเมื่อก่อนเอาจจะหลอกตัวเราเองว่าเราปฏิบัติเเราปฏิบัติงานแล้วแต่เราประเมินจริงๆล้วก็ประเมินตามชั่วโมงในวันต่วเนีเราจะิดว่าเราทำทานมาหิยถึงเราก็รักามแล้วานแล้วก็มแล้วแต่นี่มันเป็เพียผิวเนของของการปฏิบัติ เราจะปฏิบ so, ัติถึงเนื climate, a, right day, 拜拜้อถึงใจราต้งปฏิบัติเพื่อรวมหายใจเข้าออกในขณะที่เรามีมีความรู้สึกตัวอยู่ในขณะที่เราอูเราควรจะสร้างสติอยู่นี่ให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นี่คือหลักของสติคือที่นี่เดี๋นี้ฐานใจเราว่าขณะนั้นใจเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้หรือเปล่าเรืออยู่ที่เมื่อวานนี้อยู่ที่ที่นี้ อยู่ที่กรุงเทพหรือที่ที่ไหนนั่นแสดงว่ามันไปแล้วไปได้มากเพราะคนเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องนั้นเองนี้บ้างแต่ถ้ามันไม่มีความจําเป็นไก็อยากกลัให้มันไปอยากเพิ่มฝันคิดถึเรื่องนั้นเองนี้คิดถึงดีที่มีความสุขว่าวันนี้มันหายไปแล้วมีฝันแต่ก็าา น, านาคตดที่จะมีความติดตา ม, มานั่งไหลของตรงนี้ไร้สาระอะไร ความสุดท้ายที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นี่อย่างนี้อยู่ในขณะที่เรามีสติถ้าเรามีสตินล้วจิตนั้นจ้งสร้างนั่งหลักคือความสุดท้ายสุดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหมั่นสร้างสติให้มากๆแล้วก็มีเวลาก็หามู่สงบนั่งสมาธิให้มากๆพยายามทำจิตให้โยงเนื้อตำแหน่งให้ได้เป็นเอกตาพลย ให้ขาดจากอารมณ์ต่างๆขาดจากรูกเสียงจึงบรบกวนแต่ถ้าแม่จะมีเสียงมีลูกมีริงอะไรเข้ามาต้นขาดตามความชอบจิตขาดจาเอารมณ์อย่างนั้นแล้วมันจะไม่มารบกวนจะนั่งอยู่เฉยๆเงี้ยงว่างส บ, บาเหมือนกับเหือนกัไม่ไม่เหมือกับไม่ได้ยินไม่ได้ไม่ได้เห็นเนลวลาจิตสงบมันจะเป็นงานที่ระดับหนึ่งถ้าบางอีระดับหนึ่งก็หายไปเลย รูงส่วนตัวาถูกเพราการหายไปจากาจา ก, าการยับยั้งขงจิตแม้แต่ร่างกายก็หายไปเนี้อแต่จิตอยู่ตามลำทางของตนเองจับใจว่ารู้อยูน่นะจะอยู่เมื่อเดี๋ยวเดียวหรือยู่ตัา้งนานก็ก็ล้วแต่ฐานะของการปฏิบัติถ้าเราได้พบกับเจ็นแล้วรับรองได้ว่าศรัทธา น, นี้จะมีมาก แล้วก็วิริยะก็จะทํามมาอยากจะปฏิบัติอย่างเียอยากจะเก้เจริญให้มากอยากจะให้จิตเป็นอย่งนั้นอยู่บ่อยๆไปอยเรื่อยๆแล้วตอนนั้นก็จะตัดความจิตทางโลกได้แม้ว่าความจิตที่เกรดจากการดูการฟังการรับประทานการเดิเนอะไรต่างๆต่ไม่มีความหมอยต่างพราะความสุตที่ได้รับจาการได้สัมผัสกับความรวมลงของจิต ความสง บ, บของจิงนี้มันมีอัตภาพนี้มีความมีความสุดขึ้นมากมาย ก, กว่าเทียบ ก, กันไม่ได้เหมือนทางกับเหมือนทางกับมดความสุดทางด้านจิตใจกับความสุดทางด้านโลกทางโลกเหมือนทางกับมดแต่เราไม่เคยเจอความสุดแบบทางเลยพอเรา ม, มีความสุดแบบหมดเราก็ดีอบบมีใจ มีความยึดติดเราก็เลยไม่เคยได้ไปสัมผัสกับการเที่ว่ที่ประสบ ท, ที่ิยาอะไรท่างหลายได้สัมผัสกันแต่ถ้าเราบําเพ็ญอย่างที่ได้สอนไว้พ ย, ยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆนล้วนั่งสมาธให้มากจนจิตลมโวงได้แล้วทีนี้ก็จะเป็นล้ว่าทางทุก ที่พระพุทธเจ้และพระอาจารย์กษาวงทั้งหลายได้เนมีสมบัติได้เป็นสมบัติและครอบครองนั้นเป็นอย่างไรและเราก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้สมบัตินั้นมาอยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นแล้วการดการปฏิบัติเราก็จะคลืบหน้าอวราไดชลาภุญละที่เราก็จะ การเรีนปัญญาต่างๆปัญญานี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามที่เราเข้าใจกันคนส่วญ่คิดว่าเมื่อได้สมาธิแล้วปัญญาจะามสมาธิเป็นเพียงเป็นเครื่องสนับสนุนที่จะทําให้เกิดสัญญาเพราะเวลามีสมาธิจิตสงบนม่อแล้วจิตจะไม่ลอนไปลอยเวลาที่จะให้พิจารณาเรื่องใดเมื่องหงเช่นพิจารณาตาร ถ้าเห็นความเป็นอสุภะไม่เฉยเมิานานจิตก็จะอยู่กับการทุกข์นานานั่งอย่างสองเมื่อเราทุกข์นานแบบรักก็หายไปทุกองนั้นลนีและาจะทุ่อย่างนั้นท้งคืนทั้งนอนจนกว่าจะเข้าใจเห็นได้วงทโกโกโกะลุอกุกตลอดเวลาจสามารถจัดควานมหลงยึดในความเวยเม น, นของน่างายได้คือ ระ ล, ลับแบบยาคือความกำลังยืนดีในร่างกนนายได้ถ้าระนับถึงจะหยุดจากการพิจารณาเพราะเมื่อสามารถระลับยาคปัญหาได้แล้วปัญหาก็หมดไปที่ต้องพิจารณาคือเพราะว่าจิตยังหนอยังมีความยืนดีกับร่างกายของผู้อื่นโดยเฉพาะของเทศตรงข้ามจะเป็นอย่างนี้น อยูก็ต้องพิจยาชายชายก็ต้องพิจัยยาอยู่พิจัยถึงความมุม่งม่นใานการทำธุรกิสองหรือกระทาที่ไม่เป็นที่ตายไปแล้วเป็นอย่างไพิจัยายาดอย่างนีไเรื่อถ้ามีสมาธิจะสามารถพิจัยาายาได้ทั้งวันทั้งคืนยืนยืนนั่งนอนในเวลาว่าจิตไม่รอแต่ไหนไม่ผิวกับอารมณ์อย่างอง เพราะมีสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่ความติดที่จะจพากระดกนี้มันเป็นเหมือนกับยากระดกที่จะจีบที่จะทําให้กิเลสปัญหาความอย่างต่างๆไม่มีกําลังที่จะถูกหน้าจิตใจให้แต่ยากไปโลกได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิแล้วรับรองได้ว่าจะไม่สามารถพิจารณาปสัสสะได้อย่างต่อเนือพิจารณาอะไรก็ตาม จะพิจารณาได้เป็นรักยักษนั้นเองมีรายละเอียดชั่วขณะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ผึงกับอารมณ์ต่างๆ่างทีเดี๋ยวก็กังวลกับคนนั้นงงกังวลแต่คนนี้โหนคนนั้นโห ค, คนนี้หวงเรื่องนั้นหงเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้พิจารณาอย่งางต่าเๆไม่นด้ไม่ได้พิจารณาอย่างต่างๆก็จะไม่เห็นอย่างแทรกแท้กก็จะไม่สามารถตัดอุปทานความรู้ห น, น้าสูงหน้า จัดปัญหาคญามยากจะเห็นกันได้นั้นสมาธิเป็นเรื่น ง, งที่สาคัญอย่างนี้ต่อการเจริญปัญญาแล้วเมื่อมีน้าเจริญปัญญาอย่างเต็มที่แล้วก็จะตัดอุปทานจัดปัญหาได้ถ้ า, ถากจัปัญหาอุปทานถูกจัดได้ยินุติในการหลุดคนก็จะเป็นสุขามานี่คือการปฏิบัติ ทางละทางวิปัสสนาเป็นเป็นปลายตามเป็นขั้นเป็นตอนี่พูดถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยมกับการปฏิบัติโนตรงคงือสัทธาสติวิริยะปนาธิและอรรญาที่ยังไม่รวมถึงสีละทานที่เป็นองค์ประกอบ12สองส่วนที่ต้องมีด้วยเข้าไนถ้าใจยังไม่ เป็นคนใจกว้างเป็นคนตจเย็นๆก็จะปฏิบัติธรรากจะรักษาสินงยาถ้าเป็นคนที่ีไม่มีสิยู่จิตใจก็จะไม่สงบยงากยังจะวุ่นวายรุ่นร้อนกับเรื่องต่างๆเรื่องที่คนอื่ไปกระทำผิดละทาอะไรผิดละผิตใจเงินใจมีความกังวลมีความวุ่นวายใจเพราะนั้นนอกจากปฏิบัวิริยะ ธิปัญญ า, า, าและกตัฐาแล้วก็ยังต้องมีการทำบุญให้ทางและการรักษาศีล ก, ก, ก, ออก็อย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติกันดีงนั้นเอย่าไปเสียดายสมบัติเท่ากันหนึ่งทางมาทำบัญชีกัยอดหนึ่งไว้ส่วนไหนที่จำเป็นก็เก็บไว้ส่วนไหนไม่จำเป็นก็เอาไปจำห น, น่ายการแจกไป มันจะได้ตับความตป็หนี้ตัดคางโลกมันก็ได้ไม่อยากจะได้เงินทองมาอีกเรารู้ว่าพอแล้วมีพอเพียงแล้วจะเอามาทํำดีเอามาก็เอามาทําดินอยู่ดีอย่าไปไปหามาเพื่อเอามาทำดีอันนี้เป็นความหมนึ่งความติดใ น, าดนการทำํรทำ ด, ด, ด, ดีมีการทําให้ไม่เจริญก้าวหน้าเพราะทําด้วยความโลภโลภในดินความโลภในดินนี้ก็ผิดมีการทํำดีนี้เพื่อตับความโลภ ก็ขอให้บัเกันครับคีาที่ยนอ่อาีจ่ของ่ ญาติเขาเนี่ยได้ททรานทเกคนแล้วหนูบอกว่าไม่ควรไม่ควรให้ทำเพราะว่าในระหว่างที่ทําเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับการสู้กันอยู่ก็คิดสงสารแต่นี้ก็เลยไม่รู้ว่าได้แนะนำเขาผิดหรือถูกก็คือตัวตัวตัวคนที่มาถามปัญหาเนี่ยเขาก็อยากให้ให้ได้ทำนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ทำเนี่ยญาติเขาเนี่ยทาไปได้ถึงเป็นชั่วโมงแต่ว่าพอออกมาแล้วก็บอกว่า มีการสู้กันระหว่างกับที่มาที่ที่ที่มาก็ค่อนข้างจะมีคนาี่ยร่ถ้าเวลาที่เขาทำย่งสงบตอนนั้นไม่มีปัญหาก็ไม่ทรากเสงบเป็นเพราะคนนั่งอยู่นแต่ออกมาแล้วก็กลว่าคอะอย่างนั้นก็พาะคนไม่มีโชคดเรยว่าว่าไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่ว่าไม่ควรทำเพียงแต่ว่าไม่ทราว่าตอนที่เขาทานั้นเอ ถูกหรือไม่ไมู่กคุณคิดอะไรอยู่คแต่ถ้าเพรา่าถ้าถ้าเกิดความเลุ้งค้านแสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติมันจะมันจะมันจะดูความคิดของมันจ้มนวอแล้วก็ถ้ามีปัญญามันก็จะระงับหยัความคลุ้งค้านได้นี่ไม่จริงอธิบายอน่ายเวลาที่เรา ขณะที่จิตเร า, าวุา่นวายมากนั่งแล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปหาเหตุกันว่านี่ครับเราจะกังวลกับเรื่องอะไรแล้วเราก็ใช้ปัญญาเข้าไปรับแบบว่าเรื่องต่างๆนั้นมันไม่มีสาระอะไรเลยจริงเราเพียงแตเ่เราไปให้ทางสํงาคัญแต่มันเอง แต่คามจริงมันไม่มีมันไม่ได้เป็นคาสังขัไรมันไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่ได้เป็นความคิดที่แท้จริงของเราถ้าไม่มีมันเราก็อยู่ได้แต่ตองจำนะสหรับคนที่คนที่เป็นคนบ้านเนี่ยไม่ไม่เหืนกันคือเขาก็จะมีมีระยะที่ดีแต่ระยะที่ไม่ดีเป็คนบ้านเขาก็ไม่ได้ตวเาแสดงว่าเ้าตื่นเขาอาจจะแบบว่าตืนแบบ ในช่วงได้นอาจจะมีปฏิสติสัทธ์ทุกอย่าเรื่องเวลาพอช่วงที่ไม่มีปฏิสติเสมือนผมตีร่างมานี่คนแบบนั้นจะไปันนำอย่างไรได้มันก็มันว่เขาจะรับคำยันนํเขาได้เ่าต้องถาม่าถามผู้ฝ่ากลกว่าที่สุดได้ยังไงแต่เขาก็บอกว่าแบบเขาสองตกก็เขาไม่สามารถถาตช่วงเวลความทุการที่ทัานยัทําไปได้ และไม่มีปัญญาดรวยว่าไม่มีกำลังที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ความจริง <c oughs> มการดับาการเล่นลับได้สองสองวิธีคือวิบายกสมาธิและอิบายาข อ, ง, อยงปัญญาอิบายสมาธิจะกำลังทุกขับเรื่องอะไรก็ดึงมันกลับเข้ามาหาพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวแล้วมันเป็นพุทโธเรื่องที่ ท, าทําให้เราในความทุกข์้าอยู่กับพุทโธไปดึงจิตมาสหนือเจอได้อย่างนี้จะดับความทุกข์ได้ แต่ถ้าพอท้อเราจากความสงบว่าไปคิดเห็นงั้นมันก็จะทุกข์เพราะมันยังไม่รู้จักต้นเอ่อต้นเหตุของความทุกข์ว่ามันเกิจดจากอะไรแต่ถ้าถช้อุบายแห็นปัญญาพิจเห็นว่าเราทุกข์เพราะว่าเราปเป็นหลเราเป็นยึดไปจุดไห น, เ ร, ไ เ, หนเราเห็นว่ามันดีเราคิดดีแต่ความจริงแล้นมันไม่มีดีมันไม่มีเินเพราะเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้ถ้าเราคิดเห็นี้ได้ เราก็จะไม่ยึดยึดมันมันอยู่ประมราได้ก็อยู่ไปมันจะไปก็ทำไปแต่เราสหญ่าณพอดีึ้งช่างทุ้งวายใจก็เพราะว่าจะต้องสูญเสียสิ่งที่เป็นเองหลงรักหลงชอบฝ่ายตัวเองเช่นคนางคนเราหองรักเขานี้เราก็จะจากเราไปเนี่นะเพราะวุ่นวายใจคิมไม่ได้เดยทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเราพิจารณาว่าเขาก็แท่คนคนนึงมีอการฐานที่สองเหมือนเรา มีมีแจกแจกจุดกลางนั่แลลวถ้าวอนเราก็ไม่แจกเราก็ไม่แจกจากรากจากถ้าข hmm. mm, ึ้นอ่นี้ได้เรก็ปล่อยวางได้เมื่อก่อนเราไม่มีเถวเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนเราไม่เจอความยากเราก็อยู่ของเราที่เราวุ่นวายเนพราความหนุ่งความยึดถในตัวขันเท่านั้นถ้าเราศึกษาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นถ้าเห็นมิตรรักเห็นมรรคผลเนี่ยมันก็ มันก็เฉยๆก็ปล่อยมันได้แต่คนที่มีปัญญาอยาอย่างนี้มนีน้อยถ้ยาเฉยกจะต้องอาศัยอุบายสมาธต่งหนาที่สุเวลาทุกใจไม่สบายใก็ปลดมือไปโดความทุกโ์โกันพยายามคคอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายไม่บายใจถ้าใจปัาได้ก็พิจว่าเขากับเราทั้งวันนี้ก็ต้องจากกันอย่างดีนี่จากวันนี้ก็ต้องจาก ในอนาคตอนเรื่นองนี้นเป็นรอบของอันนี้จังไม่มีใครจะอยู่ร่วมพันได้ตลอดการพิจารณาอย่างนี้เราต้องฝนดที่ทมันดีเราใช้ปัญญาไปที่นาไปบทีก็ความที่สติรือวาลังสมาธิเราไม่พอเนี่ยมันก็กลับไปฟุ้งอีกเราก็กลับมาพิจารณาอีกแล้วมันก็กลับไปฟุ้งอีกก็สู้กันดีอย่างนี้ครัมันกับธรรมะกับอาธรรมสู้กันดีอย่างนี้เท่านัน S <S <an> ก็ลองพยายามทาไปเรื่อยพอเราสู้เข้าไปเรื่อยๆเราตอบไปแล้วก็ธรรมะกจะมีแรงมากเ ป, เป็นการสร้างพลังถ้าถ้าไม่มีดังที่ทําที่กำลัว่าถ้าไม่มีความพัฒ ญ, ญาก็บอ่เกิดไม่มีพัฒนาก็ไม่เกิดถ้าไม่มีนอนนอนก็ไม่เกิด เขาเขาพาไปตามที่เช่นกันบอกเข้าไปนะครับว่าความคิดไี่สามารถบมายหมายโลกได้ที่เช่นกันถามเข้าไป mm. เราก็บอกว่าแต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยโรคอันนัยมันไม่ได้เป็นโรคที่เกิดจากทางการแต่ถึงที่เกิดจากญาติเลยนะครับเป็นโรคที่เกิดจากทากงจิงตเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึก ข, ของเขาอันหนึงก็คือว่าเออ ยากเขาจะไม่สามารถจะรับรู้สิ่งที่เขาจะให้กินยารหรือจะอะไรได้อีกอักอนหนึงสังคมกลังเกียเพราะเป็นคนบ้าก็ยังทุกอันนี้ผมเขา้าสจำใจเก็มองเมื่อก็มองว่าใครก็เป็นคนตายพวกนี้เก็เป็นคนตายก็เป็นคนนอกสังคมได้แ ล, แล้วเราก็อย่าไปหวังอะไรจากสังคมเขามากสังคมก็จะมองใครอย่างไรถ้าเป็นเรื่องของสังคมกัน แต่เราอย่าไปมองการสังคมเทียงขมุนเราอย่าไปหวังอย่าไปอยากให้สังคมก็มองการความอยากของเราเท่านห้นเองเราต้องยอมรับว่าสังคมก็เป็นอย่างนี้แล้วก็สังคมก็เป็นสังคมของคนตามบอกนียมเขาก็มองไปกามภาษามองคนนียมตามบอกแต่คนที่มีปัญญาก็จะมองด้วยความเมวยตาด้วยความกรณเนียด้วยความเป็นเทพ นองไปทาคือว่านี่แหละมันเป็นวิบากกรรของขาวแล้วทกรมของเขามาเขาก็ต้องรับกรรมข้งาไปแต่เราคนกล้าคิดเราไม่จาเป็นจะต้องไปหนักไปหนักใจกับกับวิบากของขาเราก็พยายามเชื่เขาให้ดีที่สุดถ้าที่เราจะเชื่อว่าเีลาผ่ไปแค่านั้นเองก็เป็นต้องมาอ้าวาร์ทายหน้ามาเสีอกเสใจอะไรกับนขา บังคนก็จะมองก็พราะว่าเขาเขามีความเห็นเขาอย่างนั้นก็จะมองไปเหมือนคืปัญหาก็อยู่ที่ตัวเขามากกับคนคนที่เสียสติแลควคนเสียสตินี่มันก็ช่วยอะไรทําไม่ได้คะับในตอนนี้ในระดับงาล็อกอยู่ตอนนีน้คนที่เสียสติเป็นคนตกงานล็อกตัวคนที่ยังมีสติอยู่เนี่ยคนจะแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ อย่าไปพูดกบถอยอย่าลักความคว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นิบากกันขอาถัางทีง่ลูกเจ้าคุสอนเรืจริญอยเลยว่ากับทั้งหลายมีการเป็นขอ ง, งองจากรรากรรมโยว่าดือนหรือชั่วจะ ต, ต้องลัอกถึงของกรรมนั้นที่คือการเจริญครับคือเดชขาถังืึงต้องสอว่านนวางว่ามันเป็นเรื่องของกรรมแล้วก็ไม่มีใครที่จะไป ขวงกรรมได้อย่นี้พอจะรู้ไหมว่าทำวิบากกรรมใดญถึงทําให้ผลแบบนั้นนะอะเพราะจ่านได้บอกในขณะจริงใจเรื่องของการสําหรับพวกเราพวกผู้ที่เทียวเนี่ยอยากไปคิดเลยว่าทําอะไรยากแต่ได้อะไรอย่างไรแต่เขาให้คิดโดยภาพรวมก็แล้วแต่ว่าทําดีได้ดีทำเชั่วได้เชื่อถ้าอยากจะหยุดทุ่งจากกรรมก็จเจริญทานสิงห์พอนาะถ้ายังอยากจะ ยังอยากจะเวิยนว่ายตายเกิดอยู่บาให้โลกมือโทรสร ด, ดเรื่อยๆนี่คือภาพเวยนแค่หนึ่งอแล้วมือแค่เนี้เมื่อกิดนจากการหาส่วนใหญคนที่เป็นบ้านเพราะาราปัญหาเรื่องขาดอยากจะได้อะไรก็ทาไปทาไปเรื่อยๆทาไปท้าหลายก็ไม่พอก็หาเรื่องอืงอ่นเรื่องใหม่มาทาเรื่อยๆที่วนก่อนล้วพู่เรามีดารารักรองชื่อดอัง พอบางแล้วมีงมเงินทองเยอะก็เอาเงินทองนี่ซื้อความสุขซือเพื่อของซื้อยาเสติมจิตซื้อสุตรซื้ยาแมวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นนแต่งงานกับคนนั้นแต่งงานคนนี้เวลาจะต้องว่าแต่หความสงบไม่ได้ยิ่งทำตามทางอยาก่างเรามันยิ่งทำไม่้ึงทุ้งท่านมาดูเพื่ออะไรการไม่ได้ทํามห้สร็จ จิตจะสมันต้องฝืนความเนี่ยต่อบรับความอยากพอมีเงินมีทางตอนนี้มันเหมือนกับมีเครื่องม้าเครื่องมือของจิตเลยเของความอยากอยากจะได้อะไรก็ก็หามาหามาหาอะไรมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เป็นความสุขเป็นความสุเป็นความสุขตอบเท่านั้นเรากำลัให้ความอี่ความพอกับสร้างความอยากความหิวให้มากกว่าเดิมนย มาก่อตอนที่สมัยที่ไม่มีมงินมีทองก็พยายามหาซื้อมาอีกเรื่องเองินเรื่องทองซื้อเท่าไรมันก็ไม่ได้ก็หันไปเึื่อสุดายาเาเป็นเรื่อดับความเครียดหันไปเรื่อยาระดับนะงับประสามหันไปเึื่อยาเกิดเจ็บเยาที่เกิดก็ตายไปอย่างรังร้องดังแอร์วิชมุกตาลมื่ยาทำยากระตุ้นปสาทเมื่อยาระงับประสาท เวลามีการข้าวข้อหงายหงาก็จึงยากระตุ้นให้มันมีความสดติขึ้นเด็กนอนพอมันกิดขึ้นเด้านอนไม่หลอกถ้าต้องกินยาแลงนอนหลับอี่มันก็เข้าไปทำยาไดาจ้ะอายุไม่สท่ากันเสี่นิดเนื้อถ้าเราทาตามความอยากมันจะเป็นไงเป็นการพาให้เรากลายเป็นคนบ้าไปเลยที่ เศรษฐีบางคนนี่บ้าแบาบาบ้าแบบกัวคนนี้กัวชื่อโรคต้องอยู่ในห้องคนเดียวไม่ให้ใครเข้ามา <c oughs> ใครจะเข้ามาในห้องนี้ต้องฆ่าเชื้อก่อนตัวเองไปไหนไม่ได้ังตัวเอยู่ในอยู่ในบ้ออยู่ในห้องเนี่ยคนที่รวยๆนี่นจะเป็นบ้าแบบนี้กันไหมเพื่อเชาเิันมาแล้วก็ เขาก็ร้องร้องไห้แล้วก็สงสา ร, ราก็อยากขึ้นมาอาา ย, ายาาากก่กับทานใจร้ายก็มาภาษาองกฤษทำไมได้อย่ามาดูอย่าก็ได้ฟังอันนี้คงเดี๋ยวกูร้องไห้เพรามาว่าไม่เสปยประโยชน์อะไรเพราะว่านก็จะห่วงคอาคอย อ, อยู่ <c oughs> ต้องตัดให้ได้ตัดมาถ้อตัดให้ได้ยาวแล้วาพารเป็นจริงรพนี้ทุกวันนี้ก็ต้ อ, องตายต้อนตายใที่ประตอนนี้ตายไปแล้วก็ได้ก็ได้ ก็ยงงี่ยบบคนตาไปแล้วนตาสภาพว่าแบบนี้มันมีคนที่อีเดีวาวะแบบนี้มันเน้พยายาอยู่ใปัจจุบันให้ได้อนั่นนะเพราะว่ามันจะฟื้งมาตลอดเวลารื่องของคนอื่นตัวเองนี่พยายามต้องให้อยู่ปัจจุบันที่ได้ทาอะไรอยู่อะไรอย่างนั้นคที่คนที่เป็นบ้าอะราบาคนที่อยู่่งด้วยมันเป็ก็เดี๋ยวเป็นมอว่าเป็นคนละต้อมาว่าเป็นคนนะ กิริยาการการทํามันไมไ่มันไม่ได้เป็นคนนะมันเป็นเหมือนกับเดรัานก็ต้องมองหน่อยนะฟันถ้ามีแต่ฟันไม่ฟันม้ามันก็ต้องถูกล่างแล้วก็ต้องถูกล่างไว้เพื่อเพื่อต้องการได้เข้าไปทํา้ายผู้อื่นหรือทำร้ายตัวเองถ้าอย่างแบบที่นาแบบนั้นก็ ก็น้องกับหาตัวเองเลยก็ได้เช่นกันส่วนเราส่วนของคนที่เราต้องดูแลปฏิบัติเราก็ต้องดูแลปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของเขาส่วนเราก็เราก็ต้องมองว่ามันเป็นธรรมดาของของชีวิตมีเจริญก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าเราไม่เคยสนใจศึกษาถึงความเสื่อมเมื่อมันเกิดปรากฏขึ้นกับคนที่เรารับเราก็รับขัดสราทำไม่ได้ แต่ถ้าเราขจงนาอยู่เตรีมไว้หน้าก่อนล้ ว, ว่าทั้งวันจะต้องเกิดขึ้นกับคนพวกเราแล้วไม่ ว, ว่าจ ะ, จะเกิดขึ้นแบบไหนก็ตามอเจจะเนเรื่อโรคภายไข้จ็เรื่องการเสียกาลาหรือความตายอะไเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่้นเราฟัไม่ก่าถึงแล้วก็มนจะเป็นคนแต่นิยายแล้วก็แต่งไว้เลยจ่ายต่อว่าต่อคนนี้จะต้องสยหนี้นะ สมมติว่าเขาจะต้องเป็นบ้าไปเนี่ยเขาจะเขาจะแกะไปไม่รูป้าหน้าตาตัดประลดึงไม่ได้อะเงยเราพิจารณาไปก่อนเตรียมตัวว่าประสภารณ์ด้วก่อนเพราะมันเกิดเพื่นี้ว่าเผเสไเนอะไก็แล้วได้ท่านเาละละลตัวรอด้วยถ้าเวลาพิจารณากายท่านไม่ได้่อนเฉพาะพิจารณาพิจารณาบต่คนเองพิจารณาการเรด้วยกายของเนย ว่มันก็เหมือนกันหรือว่า mm hmm. เจะเป็นวิบากของใครทค่นั้นเองวิบากของเราแต่และคนที่เราทํามามันไม่เหมือนกันแต่นันก็เป็นเพียงแต่ใจแค่นั้นเองถ้าเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจว่าใจเป็นยังไงมันก็ไม่เดือดร้อนเข้าใจมันไม่เปลี่ยนใจใจนั้นก็เหมือนเดิมใจไม่เร ม, มันไม่มได้เป็นอะไรไปตามใจถ้ามีปัญญาแล้วใจา็จะมี วอนนีมีที่เพื่นทำให้ใจเป็นติดขัดได้ื่นมากับเรื่องาราวต่างๆกับคนบกับอะไรต่าถ้าเราไม่ไม่เจริญปัญญาไม่แยากกายออกจากใจไม่รู้ว่ากายเป็นยางไงไม่รู้ว่าใจเป็นยังไนมันก็สับสนยื่มาเป็นตอนนีอให้เจริญทำ แล้วอเรากลายาละย่อมมีการแก่ความเจ็บไข้ได้ปวดทามตาเป็นธรรมดาร่วงคนความแก่ความเจ็บไข้ไววขปมวมตาเปไม่ได้เมื่อเราต้องมีการท้าทายจากกันเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะต้องมาเตือนแ้งมาร้องห่มร้องไห้มาเป็นปัญหาเลยที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าไม่ได้มองว่ามันเป็นธรรมดา มองว่ามันเป็นเหตุารปรลาดเนื่อเกิดมมาที่ติดมันนิสาที่ติดก็อยู่ตรงนี้นิสาที่ติก็จะมองว่าเรื่องอย่างนี้นเป็นเรื่องแปรลาดเรื่อมัน่าจะเกิดเลยทำไมถึงเกิดแับเขาอย่างนี้กิด่นี้แต่ถ้าเป็นสมาทิฐิก็เห็นว่ามันจะเรื่องธรรมดาไม่กิขึ้นกับคนทุกคนเยอน้อย ห, หนักรู้บาต่างคนต่างกันโดยนิสช ถ้าเข้าใจหลังนี้แล้วก็จะผ่อนวาได้ที่าเพไม่เป็นไรหลังท่านอนญาตินะคงจะทำได้เนื่องต้นมันจะผิดมันก็จะมีเฉลยมันจะตอบว่ามันอยากมันก็อยากจะให้เป็นไปตามความอยากของตนเองพอท่าอนญาตินี่มันก็ยอมรับมันก็ยอมจำนนต่อสภาพความเป็นจริงมันก็ตรงได้และตงมันก็อยู่กาบสภาพนี้ได้ มันเป็นปกติของคนส่วนใหญ่เวลาเกิดการเสิยเสียเกิดการการเกิดเหตุการณ์ที่เลาร้ายกับตัวเองหรือกับคนกับคนที่ น, น, นเราเราจะจะรับไม่ได้กันะเกิดความต่อต้านเ <c oughs> กิดความเครียดเกิดความทุกข์มากและพอสัระยะหนึง่งเวลาผ่านไปมันก็อยอมจำนนกับความจริง เพราะอยากยังไงมันก็ไม่ได้ไปติกตางให้เป็นไป ต, ตามความอยากของตนได้ถ้ายอมยอมจำนนยอมรับได้มันก็ตลงได้ถ้าเป็นได้จิตก็กลับมาสุขภาพปกติเพียงแต่ว่าจะเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นอดีตของตนเองเพื่อจะรับกับเรืน อ, อื่นๆที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าจิตหรือเา ยังที่เพราะถ้าเรายังเกี่ยวข้องกับคนนู้นคนนี้อยู่มันก็ยังมีโอกาสที่จะต้องมีเหตุการณ์เลวราที่ต้องเกิดขึ้นกับคนที่เราเกียวข้องด้วยอยู่นี้แม่กับตัวเราเองเกิดเราคิที่การไปเราไป ค, าคิดบ้างนะจ๊ะเวลาแข็งขาดขาขาดนิ้หวหนีบตาบอดเราจะรับ ก, กับสภาพความความจริงไม่ได้เนี่ยถ้าเรารับได้เลยเท่าไหร่เราก็จะคิดเงิเท่านั้น ถารับได้ยากก็จะทุดมากทุดมากถ้ารับได้เรินก็ไม่คุดเลยจเป็นเรื่องก็เป็นกเป็นเรือ ป, ปแล้วไม่จะทำยังไงก็ไปห้ามมันด้ไหมให้เราต้องติดใจยารู้จ่ายสอนให้ติดในทั้งตัวเราแลวกับผู้อื่นผมมุ่งว่าตัวเราตาบอดไปได้ัต่เมเราตัวเราเข็ขาดไปได้าขาขาดไปได้จะทำาแง้วเราก็ต้องยอรับกับสภาพของน ต้นฐานที่พูจถามว่าในสภาการจิตใจแบบนี้นะครับเขาหมาที่จะนั่งภาวนาไหมพอเข้าเรื่องตัวตเขาไม่ใชู่พอถ้าภาวนาได้ก็เหมาะที่จะเน่เพราะเันวีที่ที่เราจับค่คนป่วยนี่คนป่วยลบากทำไ้จากคนป่วยให้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคนเมาไปสอนให้เภาวนาคูไม่ได้ยุ่ง ถึงเคยเห็นใบไม้เดือกคนที่เนสปกน้ดไปเที่ยวดีกว่าก็มีเรื่องราวท้ายก็มีความสงบเเิกับนั้นเสร er <be> ็จาเข้าไปได้นะการเข้าไปแล้วไม่แปลละลาบคือนก็บาทีอยู่กับบ้านข้างในไปเที่ก็ไม่รู้สึกสดชื่น้เราออกไปปล่อยแล้วณ์ไประบายอไที่้ที่นีมันก็จะเการนเอาไปได้บาง แต่ว่าดูฐานะของคนว่าเขาอยู่ในสภาพที่รับนีน่งห่ือเปล่าถ้าไมีรับนิ่ล้วภาวการก็ไม่เกิดสระโยชน์เยเคยได้ยินพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของทำภาวนาและมีพะระองรู้ที่ภาวนาแล้วสติฟุ้งแตกแปกน ะ, ะท่านก็ห้ามไม่ให้ภาวนาก็ท่านก็คงจะมาจารว่า พานาแบบที่ตอนออนี้ภาวนาแบบนั้นยังไม่ถูก hmm. แตงคนก็ะครับอีกแบบนั้นต่อต hmm. ่อจะถามถพมวิวธีภาวนาวิธีได้นะ้รับภาวนาผู้ที่ว่าภาวนาก็คือหมายถึงว่าภาวนาตื่นก็ภาวนาถือเพียงว่าราาู้ะ จ, ะาายยาจากทาจิตให้สงบได้แต่เรายิ่งเจ้ายิ่งยอยกับเรื่องอะไรแต่ละแล้วเราใช้ปัญญาที่เป็ับ มันไม่ได้เราก็พอเราด้วยด้วยการทำจิตให้สง้วสมาธิถ้าเราทำได้เราเคยทำอยู่เป็นประแล้วก็ใช้ารประทาสมาธินี่เป็นเครื่องะยะบหรือ <c oughs> ว่าหรื <c oughs> ว่าที่จะพยายามไปคิดไปปล่อยตันช่วงช่างจะระยะแบบ แต่ถ้าปัญญาก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีจะมาสร้างหไปแล้วอยากอยู่ใกล้กับตการณ์ง้เยม่เลยไ่เไม่มเรื่องที่มสร้างความผดา้กับนี <c oughs> นอยู่วัดก็ได้ถ้ามันไปทีป่มาัดท่านะโตะ กลัวมาเดี๋ยวราจะห่วงทงั้งแล้วก็จะมาคิดว่าทิ้งปัญหาหรือเ่ามันก็จะเป็นปีนเล็กเป็นใหญ่หรือปัญหาหรือเปล่าทอดทิ้งทพราะหรือเปล่าเราก็ต้องเราต้องคิดว่าเกิดขึ้นมามาเพราะอะไรถ้าเราม า, มาพออเพราะเราต้องมารักษาตัวเราเนี่ยก็ไม่เป็นสารภาพคุณถ้าเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องไปข้่โรงพยาบาลเพราะงั้เราจะดูแลใครตอนนี้นเราก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนเพราะเราต้องรักษาตัวเราก่อ ถ้าที่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นการทอดทิ้ง <_ d ata> แต่ท้าถ้าที่ไม่เป็นก็เดี๋ยที่เราเราเราเราหนีเขาตม่ได้เราเราเราปล่อยให้เป็นภาระของค น, อ, งนอื่นไม่ไมาอยู่ด้วยมันก็ต้องสร้างคนที่มันอยากจะต้องมันหนีที่ไหนมันก็หาเรื่องต้องกันได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่อะ พริงๆคิ่าจะเป็นความรับผิดชอบที่เรต้อ ง, งดูแล่ไมใช่จะมาหวงห้เราหวงงนั้นบางคนมาบวชจะมาทิ้เราเราเราเร า, เร า, เราจากความรับผิดชข้อหน้าเราหรือาป่าเรทุก่เกิดมันจะสร้างความสร้างให้ราได้หลายอย่างหลายววกันดั้นเราจะทำอะไรเราต้องมีเหตุในผลแล้วม่ตามนั่งใจมีมมเหตุในผลน้ มันทำแล้วมันจะไม่มีความกัสงใจจะทำด้วยความไม่มั่นใจเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องสงสัยนะ้็ยิ่งคนนี้เขไม่ใส่ที่สงสัยอยู่ด้วยสงสัยอยู่ด้อาจารย์คับารยด้กล่าวถสิมาที่ปัญญาผงใคที่มันมีการเขียนที่ถ้าสิงมาที่ปัญญาเนี่ยเหมือนไม้สามขั้งที่สองเรียนกันที่ขยังขึ้นกันและกัน ก็หมายควาถ้าเป็นยายัางไม่เกิดเนี่ยแต่ถ้าบอกถึคงคนตอนนั้นที่ลานจะ่อไม้สาอันนี้มาทำยัในใเป็นแทขึ้นมเป็นไปได้ยาก ค, คือต้องหามาห้สามันไม้พร้อมก่อนแล้วก็เอามาตอกกันคือต้องหาทานมาก่อนนะสมาธิมาก่อนนะปัญญามาก่อนแล้วค่อยมาประกอบกันโดยเราสร้างสกิอ น, น, นีรไม่ต้องมีไม้กอทั้เดียบสร้างสติได้ถึงเราทำยันตังด้ว ก็ต้องห า, อาของที่ง่ายก่อนะทานก่อนหาเสียงก่อนหาสวัสดิ์ก่อแล้วค่อยหากัญญา็นยาเรามนดรอมาค้อมเพียงกันให้การเป็นเงื่อนเป็นว้ถีชีวิตการการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเหมือกับการสร้างบ้านหนึ่งเราก็ต้องหาวัาสดุอุปกรณ์ต่างป่ามาให้พร้อเราจอถึงจะสร้างได้คือ แต่ละคนนี้อาจจะเคยหามามากน้อยจากกันแล้วบางคนก็ไม่ต้องมาทําดินทําทานอย่างเท็จหลัก็ได้เขาไม่เงินเขาอาจจะไม่มีเงินทองแต่เขาก็ไม่กังวลว่าต้องอยากจะทําำดินอย่งเท็จหลังเขาไม่มีเขาก็ไปทําไปได้เขารักษาสิ่งขอเข้าไปเขาเขาเขาเจริญสติของเขาไปเลยนี่แสดงว่าเขาทําทานพอแล้วเขาไม่หิวจำไม่การทำทานแล้วเขาสามารถรักษาสิ่งที่ทาเข้าได้เป็นกติ การรักษาการคำนึงคำทำก็เป็นการช่วยทำใน้เรารักษาศีนยห้าได้ง่ายได้ง่ายซึ้นจากกากที่ไม่ได้คำทำคนที่มีความตัณหานนเห็นแต่ตัวนี้จะไม่คอ่อยเห็นจากู้่อื่นเวลาทำเวลาก็จะไม่ถึงความคำนึงเป็นความเดียร์ร้องจากที่อื่นอยากจะได้อะไรก็อาจจะทำจุดจุดทำไปก็ได้เพ่อเห็นความีเห็นภรรยาของเจมรอยากจะได้ขึ้นมาก็ไม่คิดว่า แพื่ิถึงความเดือร้อของคนอืแต่ถ้าเราเคยช่วยเหลือคนอื่นด้วยการทาทานหรือด้วยเราก็จะคิ้นล้วะวลาเราทำเวลาเราไปทำไม่เกิดความสฉพกับคนเองไม่นหแลแลมแลแลแลหือนใดีเรามีแตรเราไปเรามีแต่จะช่วยคนอือนอ่นตลอดเวลาถ้านี้เรากำลังจะไปเดีอดร้อนใครจะทำเราจะทำได้หรือนม่มนก็ทำไม่เกิดมีสิ่งขึ้นหรอกเมื่อมีสิ่งขึ้นมาความวุ่นวายาการก็มีน้อยลง คนนที่ไม่ทําผิดอะไรมันจะไม่มีทางกังวลไม่มีความวุ่นวายใจมันก็คนทําผิดมันไม่มีมันไม่เป็นเหรอพวกเรื่องการหลังหวัดเรกันหลังหวัดมันทำอะไรได้้ามันอะไรมามาแตะแผลหน่อยมันก็เจ็บเพาะปวดเองเซึ่งแต่จิตถึงเรื่องที่เราทําผิดขึ้นมาก็ไม่สบายใจแล้วเวาจะไปนั่งสมาธิมันจะนั่งได้เลยเพมันก็จะมีแต่เรื่องอย่างนี้มาคอยสะกิดใจอยู่เร นั่มันเป็นขั้นกันคือมันก็ต้องสร้างขึ้นไปตามัองค์ท่าหนูจะเรียนหนังสือมันต้องเรียนตามชั้นขึ้นไปพอจากประถมก็ขึ้นมัธยมจากมัธยมก็ไปสื่อระดับตริญญาต่อไปนป็นแต่ว่าพวกเรามันอาจจะเรียนกันมาไม่เท่ากันเลในแต่ละภาคแต่ละขั้นพอมาเกิดในขั้นนี้ก็อาจจะ เรียนกันถมละขั้นไปเลยกะได้แต่พวกเรานี่มาอยู่ จ, จังเกอคุณมกันมานักแสดงว่าคงจะอยู่ทุกขั้นเดียวกันถ่าอยู่สูงกว่า น, นี้ก็คงไม่มาถ้าอยู่สว่า น, นี้ถ้างฮเดียไปฉายเดียวเขาอา จ, จวชกันไปรักก็ได้นะ ไมื่อคนถามคถามไม่ยอมถามอเลยเมื่อเมื่อเช้าที่ถามะถามว่าทายังไงจะถายรูปมาเข้าวัดได้แต่ไม่ได้คำตอบก็เรามาเลยเรามาเข้าวัดมาบวชจำลองได้เขาจะมาเข้ามาหาเราอยู่วนี่เองลงชื่อลงชื่อหน่อย ใช่ว่าไม่่ว่าเรากล้าจะทาหรือป่าอย่างเราอยากให้พ่อได้เข้าวัดดูเรามาบวดเดี๋ยวพ่ต้องมาหาเราถ้าเราเรื่องเราทำได้เจ๊เลยเพราะความถูกทางของแม่กับลูกยันมีข้อขันนอกจากลูกในลูกคุณก็ไม่ง่าก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปถ้าตัดลงไปแค่เราอยากไปอยากไปหลหลงแล้วเราจะทุก์กับมัน ความจริงอย่าไปคิด่เขาเป็นลูกลเราเพื่มันก็หมดเรื่าาองซึ่งก็เป็นคูน่มาใส่ขันเราอยู่คะเป็นอาชันตุกะมาใส่บ้านเราอยู่แล้วก็ให้ข้าวเขากินให้เสื้อผ้าเขาใสา่แล้วเขาอยากจะไปไหนมาไหนก็เล่นของเขตัวไทยตัวมาสบายใจไปปัญหาไมนอยู่ที่เรามากกว่าอยู่ที่เขา เราอยากก็เป็นพระแต่เราไม่อยากเป็นพ <laughs> <laughs> ระเจรจรร่าเอนน่อฮ่อาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่นฮ่ <laughs> ัก่าด่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮาฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮา่า่าา ตามันเป็นยารักษามันเป็ น, นจริงจิงนะนะ แ, แต่ตามันทำให้แผหาได้เลยถ้าความไม่จริงนี่มันจะทำให้การเป็นหนองเน่าไปหรือไมด่ดีจะต้องตัดแขนตัดขาไปหลังจากนั้นเพื่อนี่สอนด้วยความจริงเนั้นเอง มีหลายคนที่เรามาสอนอาจจะไม่ได้พบทางจริงก็เลยสอนแบบลุกหน้าปะกันอย่อย่างไรตาเพ่งเราไม่นิ่หน้าปะกันอยู่กันทำยอมเหนียวกว่าจริงงไงขึ้นถ้าเมืเขามาหาธรรมแล้วเราไม่ให้ธรรมกับขเขาเราก็จะได้ธรรมไม่ได้เลยนะคนชอหาศาสนาเ็เพื่อหาธรรมแล้วไม่ได้มาหาความเอาพอาใจต่อกก จากรูปหน้าฝระธรรมนีเอามาจาทุกยนนันคนะหา้ต้องเป็นคนที่กล้าหาคนกล้ารับความจริงคนไม่กลัวความจริงล้วกลัวความจริงอย่าเข้าหาศาสนาอางเงี้คนที่โกสาสว่างก็อยู่ในความลึกชออยู่ในจินตนาการของตง ทอว่ามันยากเลยมันไม่ยากจิงไหนถ้าเราไม่ชอบทำมันก็ยากถ้าให้ไปห้องตรงพวกนี้ไปได้ครับ ไม่พร้อม ก, กันยนี่าหะคนก็ฟังคนก็ฟังเค่ที่นี้แล้วเขาบอกทำไมหัวล้อกันดังนะกันีินใจถด้เลยกลัวมันกลัวเรื่องเกียว เข า, าบอกลูกว่าเขาจะรั่งทงานะ้นเาแโหนผมทอม้ยเราะเ า, เร า, เราประมาณส่นึงได้ผลงถูก เ, เราต้องการผมไม่ใช่หรอเราต้องการความสุขที่แท้จริงล้าต้องการควทุกข์ไม่ใช่หรอก็เราจะมาต่อรองกันทำไม พอแต่มันก็จะไม่ได้ผลแล้วมันจะเสียเวลาแล้วเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเจอศาสตร์ธรมนั้นีกหรือเป่ามั น, น, น, มนไม่ใช่ของง่ายตอนนี้เป็นโอกาสที่เราเป็นผู้นำทางให้เพื่อให้มีโอกาสหนังจะเลือกทางนี้ะนะหลังจากการได้ เ, เกิดในสมนัยที่พระพุทธเจ้ากับตัดขนุสองขามอยู่ก็สมนัยนี่แหละเป็นสมนัยที่อยู่ทีท่เสียบ้านสมนัยนั่นไม่เคยจะเกิดขึ้นไม่ได้ แต่ที่เราเกิดขึ้มาเกิดตายวจะทํามาเกิด เ, เ, เป็นมนุษย์ทุกทางต่างอาจะต้องไปเป็นโดยสารอยู่อีกไม่รู้สักเท่าหไหเมื่ออาจจะกลับเวลาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในประเทศที่ไม่มีศาสนาเข้าได้เหมนพวกพวกัวก่งนี้เขากยังก็ยังมาประเทศไทยมาบวชกันเนะเพราะเขามีชื่อเก่าอยู่เขาได้เกิดเป็นมนุษย์เขาไม่ได้เกิดในแดนของพุทธศาสนา เขาก็ย <LEY> ังจะวุ <ét lar ř> ่นวายหาจนได้เพราะเราเกิดอยู่ในดินแดนของพุพาษาศาสนาเพืทอเราเราทำไมกล่องให้เข้ามามาตักตวงสิ่งต่างๆใส่ต่อหน้าต่อตาเราเพราะว่าเราจะไม่ได้บำเพ็ดินแานมี้เท่ากับที่เขาได้บำเพ็ญแล้วจุดพร้อมดึความทร้อมที่จะที่จะรับ กษศสตร์ถนัด้านมาสาเาก็ต้องทําไปเรื่อยๆกัแล้วกันทําจากที่เราทําอยู่ได้ในขนาดนี้แล้วยายายขยับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าลองปฏิบัติอย่างที่สองในนี้เชื่ อ, อ, อ ว, ว่าจะไปได้เลยลปปนั่งตั้งสติเรื่อยๆอยู่กับใจอยู่ตล อ, อ, อดเวลาอย่างไปคิดใน เ, เรื่องราวต่างๆแั้วไม่มีสาระไม่มีความสำคัญอะไร นอกจากมันเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินชีวต่อการปฏิบัติทางวัตถุต่างๆเรื่องกังวลของนั้นคนนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ป่าก็้าเกิดถ้าอยากจะแบกคนนี้มันมีคนให้แบกเยอะๆใเรื่องนี้มีแต่หมื่นล้านนี่ห็นเนื้อคนไม่ได้แบกไม่ไหวเราเรื่องของคนอื่นแบกตัวเราดีกว่าแก้ปัญหาตัวเราให้นมันเจ็บก่อนดีกว่าถ้าเราจะเชื่อโยนคนอื่นได้มาก ปัญหาของแต่ละคนนี้นคนอื่นช่วยแก้ให้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยตัวเองอาศัยคนอื่นที่นา่ารู้ดีเท่านั้นถ้าเราแก้แก้ปัญหาพวกเราได้ตอนนี้พวกเราก็ไม่ต้องมานั่งลําบากลำบ น, นท่านก็เพียงแต่บอกฮะไปไม่ผานกันเลย น, เนี้มันไ็ถึงนะให้หดหดโลกโกฎนุ้งเลยมันทําไม่ได้ ถึงแบบเด็กเองนักเรีย น, น เ, ยเด็กไม่อยากจะไปโรงเรียนแล้วจะให้เขาได้จบปริญญาได้ไงเขาก็ต้องไปเรียนนักเรียนถ้าพ่าแม่เรียนแทนก็ไม่ได้พ่อแม่ไปเรียนทางเวลาเขาออกปริญญาเขาให้ปริญญามาก็เสียที่หลวงพ่อของแม่ลงไปในในปริญญาบัตรเราไม่เรียนเสียที่ของลูกไปเรื่องการชื่อยเหลือผู้นั้นชื่อได้เพียงแต่มันเรื่องตัดการสื่อ ถ้าเขาขาดแคลนเรื่องอันนี้ก็อเอามือพอที่จะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไแต่เรื่องความรู้เรื่องการประพฤติ ป, ปฏิบัติตอนนี้เราเพียงแต่บอกวิธีได้เท่านัน้นเองแต่ถ้าเขาไม่นำเอาไปปฏิบัติจะอยากไปเที่ยวเข็ญเสียเวลาให้เหนื่อยเสียเวลาไปเะปละ่าเอเวลาที่มีท่าขึ้นมาเที่ยวเข็ญตัวเราดีกว่า mm. ไปเที่ผมเข็ญสนุกดีนะ ตัวเราเองยังเชื่อเห็นไม่ได้กันที่เราตัดไปเยอะนะเพราะว่ามันซุ้นเรื่องที่นทำๆกันแล้วเดียวครั้นี้จะในเรื่องสาระเยอะขับการที่เราจะไห้มงทางที่เป็นแบบมันทำบนคิด ที่เป็นเหมือนกานที่ถึว่าพวกเราถ้าเป็นนอที่เกิดมาเนี่ยเจอพุทธศาสนาเจอครูบาอาจารย์ได้สั่งทำได้อ่างนี่มัน ก, กน็ไม่ยากเลยถ้าเราเป็นนักคุยกาสมณติเราได้ใครก็มาเป็นอาจารย์นะ <c oughs> เร า, <c oughs> เราต้องรีบเติบโตเร็วๆแล้วทำงานแล้วมามาหักคุยก็ ไกดเป็นที่ม่ได้งานตนคนข้าีนไ่เ้าี้คโ้าปสวยบุญแล้วก็ถ้าเป็นโจนี้เขาจะไม่ติดต่ออะไรกับใครเขาอยู่ในชาต เมื่อเขานั่งสมาธิแล้วจิตโยมลงนล้วเขาทำไม่รับรู้เรื่องวเวาผ่านไอะไรทั้ง้จนจกว่ากาลังของสมาธิของฌานนั้นมันเส่งไปเขาถึงจะมาลงมาเป็นเทศเป็นเทศก็ขึ้นอยู่ ว, ว่าเขามีตัวนิสัยสนใจธรรมวิรัอถ้าก็มีนิสัยสนใจศีกษาธรรมะเขาก็จะไปฟังเทศฟังธรรมกพระอรหันต์จะพักทุก้าได้ แต่ถ้าเขาไม่สนใจเขาก็จะเกิดความสุดกับลูกียงกินว่าถุกับะอย่างนี้อีกในพวกลูกคิดเกียงทิดของเขาไปจนกว่าบุญงั้นเสมอถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าทขาไม่สนใจธรรมะไม่สนใจพระวาเขาก็ยังจะไปหาความสุดกับลูกียงกินวัตถกับพาอย่างน้ตอนที่เราเห็นกันอยู่คือคนที่ถอยหน้าไปแล้ถ้าเกิดเขาไปทาผิดเกลี้ยงผิดทำขึ้นมาเมื่อตายไปเขาก็จะมุ่งไปเกิดในบาป เราจะไม่มดทางเข้าสู่ความความได้เลยหลักแรกหแกที่บอกว่าสนใจทรน้ก็กการท้ายของอของะเรืคไม่ใช่ที่จะสการังางก็เป็นการบาเพ็ญยิองน้ อ, อยอย่างแต่ฟังอย่างเดียวไม่พอการฟังตามก็เป็นหมือนกับการศึกษาแขนที่ตนที่ที่เราอยากจะไปสถานที่ใดที่หนเราก็ต้องรู้ว่า ก็เดินทางไปได้อย่างไรก็ต้องมีแผนที่อย่างจะมาที่นี่ถ้าไม่เคยมาเลยก็ต้องเปิดแผนที่ดูวัอย่ยานตั้งอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราก็ขอเดินทางมาตามแผนที่การศึกษาการได้ยินได้ฟังทำก็มือนกการการดูแผนที่เมื่อดูแล้วได้ฟังแล้วก็ต้องดองําเนินท่านบอให้ทำบุญให้ทางให้สะละทธาใหรักษาศีให้ภาวนาเราก็ต้องทํา ถ้าเราฟังทีเผยแล้วเราก็ยังไม่ทําก็เหมือนกับดูแผนที่แล้วก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ไม่ออกเดินทางก็ใจไม่ถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปก็คือมั่ถึงยึดถาวการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องปฏิบัติตามที่เราได้ยินได้ฟังก็ฟังหลวงตาฟังเทศคุบานการอยู่ในรูปแบบว่างทั้งทไรายทั้งลายลางทำได้แล้วทำหรือเปล่า ก็ทําไปแต่ทำมากทําน้อยเรื่องหนึ่งเหมือนการรับประทานอาหารรับประทานช้อนเดียวก็รับประทานนี้นปมีรับประทานของจานสามจานมันก็รับประทานนี้ไความอื่นมันก็ตัดัปถ้าปฏิบัติน้อยถึงยังก็ได้น้อยถ้าปฏิบตัติมากของมันก็ได้มากถ้าปฏิบัติมากเพียงขานีา้ขาเดียวก็เสร็จงานได้ไม่ต้องรอเป็กลับเป็นกนารเหมือนทักทายจ้า เพราะพระเจ้าไม่มีแที่ที่เสียเวลามากเพราะว่าไม่รู้ทางนี้เองหลงทางใครทางนี้ก็ไม่ใช่แต่ทางนี้ก็ไม่ใช่ก็เลยต้องยกคนไปเรียนมาอยู่นานจนกว่าจะพบทางแต่พวกเราเนี่ยดูคนเสียงแผนที่บอกทางให้แล้วเดิแต่เดินแตทแคนี้เดี๋ยวเดียวนั่นเองไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็เข้มถ้็ยังไม่ยามเดิ น, นะ <laughs> านนั่งบบนาก้็ทคนีจะหาแล้วก็จะตมนิเฉยนะความรู้สึกเราต้องมีควานรมถ้ามันนิ่งเฉยเลยนิ่ไปทิเรื่องอะไรก็ไม่ต้องถ้ามันนิ่งเฉยแล้วทิ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ยังต้องบริการก็มีแต่ควาว่างเป่เรว่ามีคามสุขมีการสบายใจมีความพอใจตอนนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องบริการ เพราะนั่นก็คือจุดที่เราต้องการให้มันไปทีความว่างเปล่าของแต่ละคนนี้มันก็คงจะมีหลายระดับเมืวยกันอาจจะระดับพื้น้นลงไปจนระดับนึกลงไปเหมือนตกเหมืตกบ่อตกเหอะ่านี้ก็เป็นอีระดับหนึ่งที่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจริญสติได้มากน้อยเท่าไรเรามีเวลาห่างไกจากเรื่องราวที่ทำความคิด ทำความพุ้งคล้างทำความวิ่นวายารให้กับเรามากเรับถ้าเป็นคาราวาจะอาจจะสงบลงในระดับพื้นๆถ้าเป็นนักบวชเขาจะอาจจะลงลึกไปถึงก้นบ่อเลยก็ได้เพราะว่าแต่ละคนนั้นก้อนนักบวชเขาจะอยู่ที่สงบมากแล้วก็จะมีสติคอยคุมจิตอยู่ตลอดเวลาเวลามันมองมันก็จะลองได้ได้ล็กได้งาง แต่ที่เป็นคารวานี่มันมีเรื่องหนีเยอะมันคอยดึงวมาเยอะไงเหมือนก็มีเชือกคลอยคอให้แข็งไว้เวลาจะลงก็ลงได้นิดเดียวครับยังยังไม่ได้ต่างกัที่มันคอยค่เหนื่อยล้าติดใจว่าถ้าทําไปจนกระทั่งมันสงบแล้วมันไม่คิดอะไรก็ปล่อยมันถ้ามันอยู่อย่านะ้ไปงานที่ถูกที่จะงาได้พราถ้ามันเริ่มคิดแล้วถ้าไม่นั่งต่อถ้ายัง ถ้ายังยังอยากจะปฏิบัติต่อเขารู้ขึ้นมาแล้วก็มาคิดทางด้านปัญญาคิดคิดพิจารณาร่างกายถ้าอย่างง่งายๆเขาคิดพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าใครทั้งนั้นแล้ว่าสมมุติไปเรื่องคิดไปเรื่อยๆเราก็ต้องตายเพื่อนเราก็ต้องตายพ่อเราก็ต้องตายแม่เราก็ต้องตา ย, นตา ย, าตาย Polski. คนที่ใครที่เราละเราก็ต้องก็ต้องตายคนที่เราเลจยบก็ต้องตาย ต้องการหมดคิดอย่างนี้แล้วต่อไปถ้าเห็นนัแต่วลาใครเขาทาแล้วเราโกรธเราเกลียดแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องการเราไม่นำไปทำอะไรเขาเดี๋ยวเขาต้องกายก็เลยเกิความท้าทยขึ้นมาดังนั้นเวลาเทวดาไปฟังจะพระอรหันต์นี่เทวดาดูไม่ดูตัวเองดีกว่าคกับดังนั้นองคนั้นก่อนนะฮะดเพื่อนเทวดาบอกก็คงเหมือนพวกเราแหะคงคงไม่รู้โดยตรง นเถึงแต่ความเชื่อหรือว่ามีคนอื่นก็บอกเราเราจะรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ได้ก็เรียนเอาคำสอนที่ท่านสอนเราเราปฏิบัติจนเราก็กลายเป็นอรหันต์ได้ตอนนั้นเราจะรู้แน่ว่าอ๋อถ้าท่านไม่รู้จริงท่านจะท่านจะสอนเราแบบนี้ไม่ได้หรืถ้าท่านยังเป็นคนเป็นมีรูปมีร่างอยู่ก็รอเวลาที่ท่านมองหน้าภาพแ้วก็ดูประเพณท่านว่ากลายเป็นพระธาตุเทวิกา แต่น้องเห็นนั้นแล้วก็ก็เป็นความเชื่อกันเชื่อว่าท่านในยุราถึงแม้บางทท่านบอกเองก็ยังมีคนไม่เชื่อคนี้น <c oughs> ึ่งถึงแม้บอกว่าเป็นก็ก็ไม่ได้เป็นเครื่องว่าจะทําให้คนเชื่อทํ <c oughs> าแล้วทําให้บอกคนจะเชื่อมันก็เชื่ออยู่นล่นแหละ ก็รอท่านทราบผู้จิตผู้ทากันเช่ไหมครับต้องฝานาทางกันต้อนนานาทางกันถึงจะรู้สิเจ้าจะทราบก็อาจอาจจะแบบทำหน้าของท่านก็ได้ทำรน้าของท่านแต่ถึงการทราบนะครับว่าองค์ไรเป็นอ่าใช่คนที่ไม่ป่าวจะไม่รู้ คนที่เรียนเป็นตีด้วยกันนี้คุยกันจะรู้ว่ามาหลอกกันไม่ได้ว่าเจบเป็นาีหรือ่แต่ถ้าเขาสื medim, าอ <S <S wrote, ่อสูงแต่เราลงกนไม่ร้ถ้าเขาจบเริาโทรแล้วเราเจบป็นยาตีเนี่ยเราคุยกันาจะไม่รู้ว่าเขาจบท่นไหนแต่เรารู้ว่าอย่างน้อยเาต้องอยู่ในท่านป็นญาเป็นยาตีแต่จะถึงโทรหรือเอกนี่มากว่ามันเยแต่ถ้าเราอยู่เริญาเอกแล้วคราคุยกเราจะรู้หมดว่าคนนี้อยู่ท่านไหน ขั้นโทขั้นตีขั้นเกอนเ ก, อเ ก, อเกอแต่อย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นนะสนใจตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนรู้ปล่ารู้ว่าเราพยายายายามเพื่ท่านไม่ได้เร้นเียนตั้งช่างหลายปี <c oughs> หรือว่าเราตกพละหนีนะอะจังท่านดีแช่พลงหลักใช่ไหมก็ต้องไปพอที่กลัวๆที่ป่าช้างี้จันม่ถ้ากันทํางใจที่เกี่ยวเกี่ยวกลัวๆว่าเนี่อเกี่แกการการร่วมหัวเขาเนี่ยนังหลัก ถ้าอย่างไรนังเสือปฏิปทาดวงตาท่านบบบอนท่านก็ไปเรื่องนั่งที่หน้าเหวถ้าหลับก็ตกเหวไปเลยนี่รับรองได้จะไม่่วงเพราะสัญชาตาญานความกลัวตายมันจะบอกให้ไม่ให้ไม่ให้่วงไม่ให้หลับเดี๋ยวเดินประทางที่มีเสือเดินผ่านมันจะไม่มีทางหลับได้คุณต้องอาศัยที่นั้นเพราะถ้าคุณลงไปอยู่ในป่าในเขาทำไม คนบางคนก็บอกอ๋ออยู่ในอยู่ในบ้านเนืองก็คิดว่าเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยคิดยังานมันก็ไม่เป็นป่าเป็นเขาทําให้เป็นป่าเป็นเขามันก็ไม่เป็นอ่ะเพียว่าเขาไม่อยากจะไปเขาก็เลยพูดไปอย่างนั้นเองนอกจากว่าคนที่เขาไม่จําเป็นจะต้องใช้ป่าใช้เขาสบายๆอันนั้นถ้าอยู่ในบ้านเนืองๆเขาก็บรรล้ได้อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธคนที่ติดเขาเห็นเขาข่านแค่นั้นแต่ละเขาก็ไม่ต้องไปอยู่ในป่าในเขาเขาได้ ไม่เห็นพลังหลังคือตั้งแต่สติแล้วอ่อนนะสติเรายังไม่ได้่เรายังไม่ได้ตัสติมันเป็นเหมือนเชือกอะมันมีหลายหลายระดับเชือกกล้วยจะถึงถึงเชือกไนล่อนเนี้ยเชือกกล้วยนี่ก็ตกไปเดียวมันก็ขาดแต่ถ้าเชือกไนล่อนนี่ยึงยังไงมันก็ไม่ขาดถ้ายงมีอะไรมาสติมหาปัญญาถ้าถึงกันแล้วแล้วค่มีส ต, ดด ต, ติอยู่กับตัวตลอดเวล ก็พิจารณาทำตลอดเวลาถึ ง, งเป็นอาสติมานาปัญญาการนันยังไม่จะไม่ทำยังก็ท่านของพระอนาคามีขึ้นกันนย่นหมายถึงว่เป็นอาสติมานาปัญญาเหตารณ์นนเรียกว่าปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติเราไม่ต้องขายร้า <laughs> นมันวนของมันไปเองเดินมันไปเองก็เราอย่างพกขาลาน <laughs> <laughs> ถ้าเป็นขายดดื่น ก็อย่าท้อแท้ก็แล้วกันนะอย่าอย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุนไม่มีวาสนาถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะเป็นการท้าประณมข้าเลยคิดว่าเรามียูนมีวาสนาเพียงแต่ว่าเราขี้เียจเราต้องเราต้องเชี่ยวแข็งตัวเราเองท้านบอกว่าให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ต่างเวลาเราเกิดขวาวท้อแท้ขึ้น ท่านก็เป็นเหมือนเราเป็นผูนนน้ที่เคยมารามาตย์การกระ้ำลูกคุปทานท่านก็ต้องต่อสู้กับความเกลียดช้งเหมือนกันแต่ท่านไม่ถอยท่านสู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเหนื่อยบ้างก็พักได้ท่านหยุดยาจริงๆก็พักหน่อยแต่อย่าเลิกไปเลยบางคนทานเลิกไปเลยไม่เอาปฏิบัตไไิไม่ได้ไม่ได้ผมเพราะคนที่ทานหมดแล้ไม่มีหน้าในสนัยนี้ พาด่ไม่มันก็จะไมไ่ปฏิบัติ ก, กตว่าัราะฉะนั้นนีนนปนนน้ปฏิบัติไม่ได้ผลเลยไม่ใช่มีกำลังเลยแค่วันสองวันก็ได้แล้วพอมีมีกำลังจิตกำลังใจปฏิบัติแต่ไม่ไม่หยุดเลยได้ดีกว่าไมจะปฏิบัติไม่ได้ผึงแต่เคยนั่งเวลาไหนก็นั่งลงไปปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติลงไปจะได้ไม่ถอยหลัง ถ้าหยุดแล้วมันเหมือนเดินไพล้องคำเดียวกันคำเรียนคือคือสงบนี่มันสงบแบบร mm hmm. วมน้อยแล้วรวมมาก mm hmm. ถ้ารวมมากมันก็แบบร่างกายหายไปเลยถ้ารวมน้อยก็อย่างที่มันวางว่างแต่ยังได้ยินเสียงไ ด, ได้ได้ยินยินเสียงได้แบบอย่างร่างอย่า ง, งมีความรู้สึกกับร่างกายอยู่ แต่คิดไม่คิดไม่ตรงเละังี้วมันทจมัน่อ่ตาอมไีังมันายมันยังไม่สงบจริงๆท่านสงบจริงๆมันจะมีคามบมกระจางาาใจอันนี้จะเป็นตวัวบอกว่าสงบจริงๆมันจะสล้ามันจะตเลย ถ้าสนุกแบบนั้นมันไม่หลับอย่างนี้นีมันก็เตืนแล้วก็มีความต่ น, น, มนเต้นรู้สึกมหัศจรรย์ใจว่เบาใจโล่งใจุกใจ่นผลลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเ้ยงน้ำตาล่วงอย่างนีน้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังค่าว่าเฉียดเฉียดอย่า ง, างเง้ย อกัมีใครมีคำถามอีกไหมมีใครจะถามคำถาย ม, มีครับ องถามถามได้เลยครับให้ตามนะให้ตามกันนะ อยากหาวารีวาหาเสดระปารุสเรนริกาคังเอวันิวาหิตุิญังเตตานาอุปการติอิกิตังปะกิตังถิหังจิตวันิวาสนิจตจตัปยันนะวะโยามิะระโยาสัพพิโยิวัน ชาตาโรโกวินาศสตุมาเตพาลทวันจารายูสุขีทิขันโกทวะอะชิวะทันติวิชะิจัท่าจัจจานิโมชาาโรธรรมวาทันติอาโยโณจุตังอะจัง พอมาไปแล้ถ้าได้ักพอถึงตัวก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรมากถ้าไม่ได้รัก็อนก็จะรู้สึกเจ็บมากก็เจ็บ่ต้องรอดเนาะรอดนี้ก็กำลังรอดให้ไม่เป็นไรหรอกมีดูลได้ก่อนเลยนะ จะไว้พ okay. like ี่เลยครับไม่เสามาเที่งนะครับออทุกสอาการคงไม่เหมาะเพราะว่าคนจะเยอะมากเดินทางัำบากแล้วก็คงจะหานลำบากเ็เือที่แตกต่างกันมากนะฮะไม่รอถึงปลายเดือนนะคือท่านจันตังท่านไปไปเทศโปดที um ่ออสเตรเลียฮะต้อง จบเดือนนะฮะไปเจาจังวัดครับแตาหมอตามาเาตามเาเนหุนตาทั้งหลายที่นี่ครับตาไมาเลยท่านตุตาท่านบอกเป็รอยตอนที่ท่านชงแก้วใช่ไใช่ะแล้วก็กุฎจอธาสำคัญเป็นตัยาท่านก็ไม่ตาก็ไม่้ามาคอย เรีน yep. รับแล่าอะไรท่นทำัานถ้ามาที่นี่ทไรก็ไม่เคยมาแบบมีกำลังใจมาสายพาร์ต่างๆก็เดี๋ย็ไม่ต้องลี่ยนตัวแล้วไม้องเปียมเตรียมอ่านนะเตรียมอะไรร่เนียมีท่าที่แล้วด้วยค่ะมรูปมีผ้าอ่่านนี่ยอ่าไม่ไใจ พ่อจะมเนื้อตรงนต่อจิ้มข้าวคุยกันว่าอนภาาเนี่ยมันีถึงห้าแล้วมันต้องจะเป eh ็นถึงถึงแปดไหมในสมันี้อืมจำเป็นถ้าอยากจะให้ไ่ได้ผลใช่ร้องดูใช่มเพราะว่าถึงห้ามันมันไม่พอยุ่งพอเลยเพราะวยังเหนืเราต้องยังรับความสุทางด้านทางด้านยุงจุันเรายังหลับนอนกับคู่คองเราได้ ยังนอนพุ่งหนาๆได้ยังพอหนายนได้พราะถาเยนแล้วมันก็ม้วงอะจิอิ่มแล้วก็อยากจะนอนถึงแต่นี่เป็นการเ้าเรียกถึงในขนะออกจากตาเมตุถึงตาเมก็เปี่ยเป็นอัตตาเมตตาเรียถึงนอนก็จะเดินมาเริ่มหลับนอนกับคร ไมหาความสุขจากการรับประทานอาหารกินเพ่อยู่ไม่มี้อยู่พืกินกินเอยู่กินหนึ่เดียวก็อยู่ได้นะก็อยู่ก็กินได้สี่ห้าขวดแล้วถ้ากิงหยินท้องแล้วมันนอนมันง่วงนอนมันจะภาวนาไม่ได้สติัไม่มถ้าลองสังเกตดูถ้าถ้าถ้าอดอาหารนี่สติมันจะอยู่แต่ถ้าไม่ได้ไปอยู่ที่ตีบที่ก็อดอาหารก็ได้ คือถึงตากดูยังอดช้อย่างน่าจะสติจะดีเพียงเพราะความหิวมันจะกระตุ้นกระตุ้นมาอยู่เรื่อยแล้วจะทําทให้เราพ อ, อนะเพราะถ้าไม่พ อ, อนะความหิวมันก็ภาวนาใจถ้าเราภาวนาวแล้วจิตสงบได้ความหิวมัก็หายไอความหิวส่วนที่เกิดจากความที่กลุ้มขอเราจะหายไปความหิวที่เกิดจากอังการขาดอาหารจะไม่ขึ้นอีกแล้วพอถือก็ ก็ถือนต่พอเพียงอาหารอาหานี้นพอเพียงพระอาหารนู้เยก็ยังพออยร่แก็จนอยู่ทุกนตอนนี้ก็มีพระท่านขึ้นมาอยู่อดอาหารอยู่ตั้ง 5-6 วันแล้วมีอยู่่มจะ่อยป็ตาท่านจะได้ออกคุมทุบานมานีก็ขับไปไงก็อด3วันแล้วก็ออกมาทานนักวันสองวันแล้วกลับไปอดใหม่แล้วก็3วันบ้าง5วันบ้าง จนอ่ากจะสวัน5าวันแต่ใครลองพยายามดูว่าจะได้แค่เท่าไหร่ก็ได้แัเก้าวันนี่แต่างคราวานี่ทำได้ไหมล่ะก็คนเหมือนกันแหละพ <c oughs> ้ามาจากไหนพ้าก็มาจากคาราวานพ <c oughs> ้าไม่เด้มาจาก <c oughs> ถ้าไม่ใช่พ้าเอาลูกมาจากแม่ชีสภาวะจิตไม่เท่ากันเลย ที่อยู่จริงๆตนนี้อยู่สางรูปแต่ก็มีพระที่อยู่ข้างล่างท่านก็ขึ้นมาสบกันขึ้นมาภาวานาอยู่อยู่เรื่อยๆมี่พระเขาบวชกันนานเพราว่าอยากจะลองมาสาวามทันใจทั่วไปก็จะมาเช่มอมกลางวันกันเพราะว่าท่ทนนานข้างบนน้ำท่ามันไม่ทันเลยน้องแซนก็ยังไม่ค่อยกล้าพอ <c oughs> <c oughs> บางคนมานอนคืนเดียวก็เห็นนเห็นนี่กันก็คงจะมีคอยคอยเล่าให้ฟังกันอีกด้วยนี่ดุนะดุนี่เอา คือระดับจิตเนี่ยถ้าัจิตมันหมดเพราะน้ามันภาวนาไม่ภาวนามันก็เหมือนภาวนานั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้แต่ถ้ายังมันต้องถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องนั่งเยอะเดิมมนดูข่มเยอะตอนั่งพอนไม่มีพอได้สมาธิแล้วยังไม่ปัญญาก็ต้องเจริญปัญญาเดินเดินดูขมมนั่สมาธิเจริญปัญญา แต่ถ้าเมื่อมันไม่มีมันไม่มีกิเลสแล้วมันก็มันก็เดินจงกลมย่งสมาธิแบบไม่ต้องไม่ได้ตากกิเลสไม่ได้ตากอะไรมันไม่ได้มีแค่ตากอย่ามันก็เปลี่ยมันก็เปลี่ยนเอียแบบมันไม่มีความขุ่น้ามันไม่มีเรื่องความที่จะมาเข้ามามาหลอกมาล่อจิตใจให้เกิดความโรภเกิดความอยากอะไรพวกนี้มันอยู่เฉยนึงก็ไมตชิดใจของมันถ้าไม่จะกระตุ้นมันไม่จะเรียกให้มันออกมาทํางานมันก็ไม่ขึ้ มันก็อยู่ามันอยู่กับปัจจุบันอยูว่างๆไปเมื่อคิดมันก็มีสติมีอยู่กับความสติไม่แน่ก็ไม่ไม่มันก็ไม่สามารถที่จะไปคิดในทางที่จะทำให้เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาได้ในสงครามที่มันสงบยาหยี่ติดแล้วทหารก็จะจะยกปืนจะเข้าวยงข้ายามหรือไม่ก็ไม่ก็ไม่ไม่สำคัญอะไร แท่านที่จะนั่งก็มีที่นั่งก็ได้ที่นั่งก็ได้เป็นข้าเป็นความความถนัดความสบายของท่านท่านอยากจะนั่งก็ได้เดินเป็นลมก็ได้แต่ถ้าเรียกว่าเป็นวิหารธรมเป็นการเป็นเป็นการอยู่เป็นของของผู้ที่ไม่มีภารกิจทางด้านนี้แล้วท่านก็ยังเดินเป็นลมท่านก็ยังนั่งสมาธิชนิดแต่ท่านคงไม่ได้นั่งแบบเอาจินตังเอาเป็นอกาลอะ หรือบางทีไม่ต้องนั่งก็ได้ตั้งแต่สมมติจิตไม่ให้คิดมันก็ไม่คิดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านต้องการอยากจะเข้าไปลึกๆอย่างเข้าไปในฌานลึกๆอะไรไมต้องนั่งแต่ถ้าแบบว่าถ้ามันว่างๆเฉยๆไม่ให้ไปคิดไปปรุงไปหาเรื่องมาถ้าเกิดความทุกข์อะไรวุ่นวายใจนี้ไม่ต้องนั่งก็ได้อยู่ในญาณวิมุตตก็ควบควบคุมมันได้คุณสังขารได้แล้วไงสังขารนี่เป็นตัวที่คิด ให้เกิดุก็ได้คิดให้เกิดธรรมก็ได้เมืเราเรู้ว่าตัวนี้เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายเราก็จับตัวนี้ให้ได้ทั้งนี้เมื่อคุมตัวนี้ได้แล้วจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้ทำให้เราคุมความคิดของเราได้ดีกว่าความห่วงก็เกิดจากความคิดของเราคาวามกังวลก็เกิดจากความคิดของเรนแต่เราหวว่วงเรากังวลตอนเราหยุดคิดของมันความห่วงความกังวลมันก็หายไปตอนนี้เราอยู่ที่เนี่ยเรา ไม่ได้คิดถึงเงรื่องต่างาๆที่สร้างความห่วงความกังวลขึ้นมามันก็ไม่ได้หว่วกแต่พอเราอยู่ที่เฉยๆว่ามันเหนียวมันหันไปคิดแล้วไคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนีกิดความกังวลขึ้นมาแล้วเรหยุดมันได้หรือเรล่าเราหยุดมนัดมนได้แต่เราไม่รู้เนี่ยเมื่อเราก็ยังคิดว่าเรื่องที่เราคิดมันมีความจำ เ, เ, เ, เป็นมีนมความสาคัญสองอยา่างจริงๆแล้วมันไม่สําคัญอะไรเลย แต่เราก็ยังหยุดไม่ได้เพราะจิตรงเรานี้มันมรดที่ยิ่งใหน่เข่าเรายังหาเบ็กไม่เจอมีแต่รังเล่น <c oughs> ยิงคิดยิ่งคุงกล้าเนี่ยยิงคิดใหญ่าง <c oughs> ทีนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเป็นเรื่องที่มันหนักหน่ะแต่ถ้าปฏิบัติจนกระทั่งสามารถควบคุมสังขารความคิดคู ล, ล่าแล้วเนี่ เรื่องอะไรจะเข้ามามันไม่คิดถึงมันมันก็เหมือนกับลังไม่มีมันไม่มีอยู่ในใจเรามันมีอยู่ข้างนอกมีก็มีไปมันมันยังไม่ถึงตัวเราถ้ามันถึงตัวเรามันก็มันก็มันก็มันก็เกิดเสียซึ่งเวลานี้นี่ถ้ามันยังไม่ถึงตัวเราแล้วไม่ได้คิดถึงมันมันก็ยังไม่มาถึงมันมันก็ไม่เกี่ยวกับเราพอมาถึงเราจริงๆแล้วมันก็จะมันก็เอาเราละทีเดียวก็ไปเลยไม่ต้องมันไม่มีเวลามากังวลไม่มีเวลามาคิด เวามชัมันเกิดจากความคิดปรุงเท่านั้นการตายของร่างกายนี้มันไม่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคิดปรุงแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมมันได้มันก็จะไม่เข้ามาในใจเราความตายจะไม่เข้ามาถึงใจเรมันจะอยู่ที่ที่กายความแสบมันก็จะอยู่ที่อยู่ที่กายความเจ็บไข้และความปวนี่ก็จะอยู่ที่กายเพรใจไม่ไดคิดถึงมัน การปฏิบัติไปแล้วต่อไปเราจะสามารถควบคุมความคิดของเราได้เหมือ น, นกับเราขับรถเป็นรม่ว่าเบรกอยู่ตรงไหนไม้ว่าทันไรส่วนใหญ่ไม่รู้กันพวกเราขับรถใจนี่เหมือูอยู่แต่ทันเร่งอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าทันเบรกอยู่ตรงไห น, นเวลาทุกข์มากๆเดรกไม่ได้หดนิ่งไม่ได้หยุดไม่เป็น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 ให้จิตรับนึ่จิตมัน ก, ก็ต้องบันเทานั่งนางนๆก็ต้องลกขึ้นมาเดินเดินนานๆเมื่อก็ลงถ้าลงไปนั่งเปีเ่ยนมลัยานไปแต่ไม่ได้ไม่ไดยนั่งไม่ได้เดินเพื่อที่จะดับคิเหลดดับดับความอยากดับอะไรต่างๆคนไม่มีให้ดับเห็นไฟ เมื่อดับไฟหมดนะถึงนานจะมีน้ำเหลืออยู่มันก็ไม่รู้จะไปสีใส่อะไรไฟไม่มีให้สีเนี่ย ส, <บ>สีก็เป็นจะไปทำคทวามสะอาดการสมาธิเดินภาวนาแก็เพื่อพวามสบายระหว่างท่าจาับขันวางท่าสติกก็<อ>มันยังเสียวข้องกันอยู่ถ้า <c oughs> เราจะ ไม่มีกิเลสแต่ถ้าคิดมากๆพูดไม่มากมันก็เหนื่อยได้จิตมันก็เหนื่อยได้แล้วก็ต้องพักก็ต้องก็หยอ ย, อยาให้มันคิดะระยะหนึเรามันพักได้เท่าไรมันก็มันจะตกตื้นแบบได้ขอให้ทำไปนะทำไป ปฏิบัต <alia> <c ôt kad rio> ิสำคัญที่สุดในอืนก็เรีนหมดแล้วได้ยินได้ฟังแล้วได้ศึกษาแล้วแทนที่จะมีดูแล้วมีเวลาเตียมออกเดินทางแล้วมีอะไรมีอะไรสลัดได้ก็สลัดไปมีอะไรเลิกได้ก็เลิกับไปใจกล้าหน่อยไม่ต้องกลัว แต่าไปเสียด้สิ่งแปลกตาที่เรามีอยู่ในโลกนี้าถานราคาว่าเราเป็นคนระดับนั้นคนระดับนี้ไม่อยู่แบบเป็นคนไทยตัพื้นถูพื้นน้ำส้วมคือว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการลดละทิฐิลดละที่เลยลดละความเหมนื่อยความยึดติดในตัวตน ยึดิดในฐานะก็เราสูงเราทํางานแบบนี้ไม่ได้ถ้าที่เราตาดมันตานี้ต้องสูงพื้นเป็มทุกคนต้องเห็นน้ําเป็นทุกคนต้องกวาดปัดกวาดเป็นทุกคนมีคนจะลูกมาบวชล้วจะเอาถ้ายเอาอาท้ายรับใครมามาด้วยให้วราจะเอาใครมา ยาวรูมาแล้วยาถานมาให้ด้อยนะอันมาทั้งสองคนกีได้นั่นเ็นอะไดเหรอการทำงานอะไรต่างๆแต่เรที่ว่ามีเป็นเป็นงานที่ชอบไม่ไม่ไม่ผิดจิงผิดธรรมไม่มีสูงไม่มีต่ำแต่เรามาสมมติกันขึ่งอะเองแต่ว่างาน งานล้างเ่วงมน us, uh ีกยเป็นงานที่เดียรเพราะถ้าเราล้างชครื่องเราก็มีเครื่องชาอาดใช่ไหมเราไม่ล้างช่วงแล้วมันก็มีแต่เ่วงสกปรกของสกปรกมันก็ออกมาจากตัวเรานี่แหละมาจากใครยากเอาจากคนอื่นมันก็เหมือนกันมันก็สกปรกเหมือนกันส้้าของเรานี่ก็สกปรกเท่ากันถ้าใช้ปัญญาแล้วมันก็จะไม่ยังไม่มีความเกลียดมันก็มาจากของที่เรากื่มเข้าไปนั่นเอง มันจะสะกปรปกมันจะหน้ า, ารัางผึ้งใ่ไหมหลวงตาท่านเล่าตอนที่ท่านปฏิบัติย่างปู่มั่นตอนที่ท่านใกล้งางนอนพักท่านบอกท่านเหมอกั บ, บเวลายลงปู่มั่นมาที่ท่านถ่ายท่านต่องพร้อมด้วยมีอใส่ใส่กระโคนมาเป็นรางท่า น, านาไม่คิดอะไรเป็นานั้นไ ม, มไม่มีปัญหามันก็เป็นชาติภาพานะร่างกายก็เป็นธาตุใจก็เป็นธาตุเหมกัน เวลาตักก็ปากกินกันได้เวลาออกมาจับไม่ได้แล้วต้องงงกันนะเนี่ยไ่จับไปจะลองซับลองเลยาจับโน้มโนมไม่ได้เรามา่จับต้มดีกว่า เ, เลย พยายามต่อเชื่อต่อให้ถึงที่มรสนุกษัตจิย์ที่มันถึงมันฟังอ่างยายามมันเกิดจากความเห็นที่ิดแค่นั้นเองเราต้องคิดว่าคน่ก็กทาได้ล้วก็ทาได้คือบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้ท่านทุกวนันนี้ท่านก็ทำได้ท่านก็ทามาแล้ว <c oughs> เราจะไปทางนั้นเราทำไมเราจะไม่ทำถ้าเราไม่ทำเราก็ปไม่ได้อา <c oughs> ทิตย์เ่งนี้เราไม่มีอะไรมีอุปสรรคขวางตั้ง ใช่แล้วปัญญาอุปสรร์มันเกิดขึ้นจากกิเลสของเราเองคนเราถึงบรรลุท่าเร็วต่างกันเพราะกิเลสหน้ยนยาบานต่างกันแล้วไม่ผิดตรงไหนผตรงนั้ น, น, น, ท, นที่มันยากก็เพราะกิเลสมันหนาที่มันชาเพราะปัญญามันทึบถ้ากิเลสบางปัญญาแหลมคม น, นี้มันก็เร็วมันจะง่าย เพราะไม่มีอะไรมาทําให้ยากที่เหลือเป็นตัวทําให้ยากการขาดปัญญาทําให้มันช้าปัญญาต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังนล้วได้ยินได้ฟังแล้วการทาในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาพิจารณาอยู่เรื่อยอยวฟังแบบนี้เข้าวูคฟ้าแล้วก็ออกรู้ฟ้าถ้าฟังในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ได้เอาไปคิดอยู่เรื่อยมันจะเป็นตัวสระตุ้นให้เราได้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วปฏิบัติแบบถูกต้องด้วย ถ้าพอเห็นผลแล้วที่นี้ก็จะเกิดฐาะวิริยะขึ้นเายทีนี้ไม่ต้องมีใครมาคอยแต่ตัวมันจะไปเองเหมือนคนที่ทํา ง, งานเรารู้ว่าได้รับเงินเดือนแน่ๆเนี่ยจะมีกำลังใจไปทํา ง, งานแต่ถ้าไปทํา ง, งานก็บอกให้ทําไปก่อนแต่เงินเดือนยังไม่ให้เนะี่ยมันก็้องติด้องใจจะไปดีไม่ดีจะทําดีไม่ดีเพราะยังไม่ได้ไ ด, ได้เห็นผลจากการทํางาน แต่ถ้าได้รับเงินเดือนเราได้รับเงินเดือนสูงๆแล้ผมไม่ต้องมีใเราปลุกให้ไปทา ง, งานจะ ต, ตื่นเองจะไปเองเอ็งพยายามปะหยัดขอใหปฏิบัติให้มันได้ผลครั้งนึงอให้จิดมันขาดจากอารมณ์จากความโลกความโกรธความหลงหรืจากลูกศิษย์ถึงว่าโสดจะาอะไ ร, ะไรามันมันสงบตัวเงได้มาเป็นเป็นเครื่งองช่วยถนัดหนึงเาั้ ก็จะมีมสมองจิสมองใจอย่างมหาศาลที่จะได้ของนี้ก็ต้องพยายามทำไปให้มากที่สุดท้าที่จะทำได้ <c oughs> ไม่มีอย่างอื่นอย่างอื่นช่วเราไม่ได้ละงเทศฟังธรรมก็ช่เราไม่ไุบาการก็ช่อยเไม่ได้มีเร า, า, ราเท่านั้นพักาธีกาโสที่ช่วยเราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง จะพูดไปเลยมาก็พูดกรรมที่ิก่าไม่หลักที่ไม่สงบเพราะสติมันยังไม่ยังไม่อยู่ในคำนิ้วกับตัวมันไม่อยู่กับรมอยู่กับกรรมฐานที่เราหนดไว้มันอยู่ได้รักเดียวแล้วมันก็ไปคิดยังนี้นยังงี <c oughs> ้เรากะไม่รู้ว่าไปแล้วที่กับใจมันติกตัวที่จะติดในทีนี่ติดในทีขางนี้อะไรต่าง ถ้าพอรู้ว่าไปาปั๊บมาราลีดเดียวกันมานี้มันก็ยังพอมีนะครับแล้วาทีกปอยู่ที่กลัวๆมันก็ช่วยได้ทั้หมเวลากลัวอะไรมากๆแล้ ว, ลวเราเล่นพุทโทรอย่างนดี้ ม, มันจะอยู่แบบพุทโทรพุโทโธไม่กล้าไปคิดอะไรเลยยิ่ไม่ดีเดียวทำไงแค่สองสามนาทีมันก็โนยนยวงได้เลยนันความกลัวนี้มันก็ช่วยทำให้ติดเลย สงบได้เลยที่เปลี่ยวเตลี่ยกลัวแต่คนปฏิบัติต้อก้ากล้าถ้ากลัวเดี๋ยวจะติดตั้งก้าตายต้าตายคิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายดีแต่จะตายจริงๆตอให้ตายแบบได้กำไรดีตายแบบได้คตายแล้วได้ความเกลียดในพระคุณข้า เมื <c oughs> ่ออ <c oughs> ่านต่อของคุณบาอาจารย์แต่เราคงก็เป็นแบบนี้เท่านั้นท่านต่ต่อชื่อว่าความยากความลำบากความว้าเหวความตอบเตยอความหว่งตัวต่างแต่มันก็คุ้มกล้ากับการลงทุน หุ้นตัวนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีทางลงไม่แต่ขึ้นอย่างเดีย <laughs> วข <millions> อให้เรามีความมั่นใจอย่าไปขายทิ้งเลยนะครับกูหมายท่าอาจารย์มีใครได้กับทุกคน่าแล้วแต่ถ้าเขาเล่นหุ้นครับเขาหุ้ะจาย เล่นทุนแล้วไม่รวยแลพราะางทีมันใจวอกแวก <c oughs> เปลี่ยนไปเปลีนน่อยนมาอยู่ด้วยกันถ้ามีความมั่นใจแล้วว่าตัวนี้จะต้องขึ้นแ น, น่ๆต้องไปล้าหน่อยเร็วหน่อยก็ขอะติดมันไปแต่ทางโลกไม่มีอะไรแน่นอนอย่างไม่เที่ยงแต่ทางทางนี่แน่นอนทางนี่แน่นอนถ้าปฏิบัติแล้วได้แน่แน อยางที่ท่านกลาวไว้ว่าโกนี้จะไม่ปราศจากข้ามรหากยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติข้าดีตรงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติขาเท่า้าไม่อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่อยู่ใครนะท่เจอพระพุทธเจ้าก็ระยะแสงพระธรรมก็เป็นส่วนเป็นเป็นผู้ชี้ทางแต่เมื่อเป็นูชี้ทางแล้วถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่จะดไ เราเจอผ้าลาที่ไหนก็ไม่ดีถ้าแบบเจอฟ้าหลาในกายในตัวของเราเองก็ต้องให้พห่อทชี้ทางใช่ใชไปชี้ก็ให้เรามาเจอผ้าหานหา <c oughs> ไม่ตัวเรามื่อนเมื่อท่านชี้แล้วเรายัางยังไปเกาะกับผ้านั้น <c oughs> มันก็ไม่เจอ้าหนังแค่นั้นอยู่ดี <c oughs> ี่นอาจาอธิบายค่ะที่ทุกคนเข้าใจคะาทีนี้อาจะทำจริงๆทุกคนก็ทก็ไกได้ก็กทราบดีนะะที่นี่เราคงจะดีอย่งนี้ทราบหมดแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาวิชาของประดับปิญญาตีมาสอนเด็กอนวบางหรือเปล่านี ถึงจะทำทานดีก่อนะถึงจะถึงหน้ารักตาลให้ดีอย่าให้ขาดนะ้วทำดินทบาทานไปเรื่อยๆมาตางเทศทำทานไปเรื่อยๆภาวนาได้ก็ภาวนาไปก็ต okay. ้องเป็นอย่างนี้ไปก่อน ในวันนี้พูดเถึงคนที่เขาอาจจะอยู่ในขั้นระดับปัญญาเขงฟังแล้วเขาสามารถนํำมาปฏิบัติได้เขาก็จะได้ประโยชน์ถ้าจะพูดแต่ระดับอนุบาลคนที่เขาอยู่ระดับปุญญาเดี๋ยววันหลงังเขาก็ไม่มาฟังอีกมาทีไรก็ให้ทําดูให้ทางททา น, นักสักศีลนันเ <c oughs> องวันที่เขาสามารถปฏิบัติเป็นปัญญาไดก็มีอย่างครูบาอาจารย์เวลาท่านเทศน์ก็จะเทศล่ายขึ้นไปจากสิลขึ้นไป สนาธิปัญญาปีมุกุตแล้วก็ความภ า, าคเพียงความอดทนความเชื่อมัน่นเราจะทำคําสอนเราให้ได้สอ น, นให้บสมัคริตอิริยารเอาประสบการณ์ที่เราเองได้ประสบมาผ ม, มาทั้งดีทั้งทั้งที่ไม่ดีเอามาสอนเราบอกหนทางที่ไปเราจะต้องไปทรงนั้นเราจะไปติดอะไรอย่างไรนี้ท่านบอกไว้หมดเลยทุกขั้น ถ้ามีคสูบายอารย์ย่างน้เมันไม่แบ่ทางไปเดีวถ้าปฏิบัติวัวเองนี่บางทีถึงขั้นเนี่ยถึงขั้นสมาธิใกลจะจติดในสมาธิจะไม่ออกใจลอยปัญญาพอออกใจลอยปัญญาก็จะพึ่งกายชนิดตัดนไปแต่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วเป็นอราหันต์ลุกิดไปแต่ถ้ามีครบาอจารย์ท่านจะมีเห็นีเห็นว่าทำยังไงมันถึงจะ ไ, ได้อย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆคิดว่ามันได้แล้วมันจะได้เนี่ไม่ใช่ไม่ได้เกิดจากการคิดมันเกิดจากการคิดจากหน้ามือไปหลังมือของจิตจากมือจากจิตที่ดำมืดจากเปจิตที่สว่างสว่างขึ้นมเนี่ยมันสันทิปติโกมันเห็นได้ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นได้เห็นจากการปฏิบัติทึ่ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องถามใครถ้าาหันมาไลยถามพระพุทธเจ้าว่ามรรพันธ์เป็นยังไง รู้แล้กวก็รู้กันเลยไม่สงสัยใช่เวลาไหมวันนี้มาเร็วสองน <c oughs> าฬิกาโมงครึ่น เข้เจะทำขึ้นาน่าจะทำเป็นร้านค้าร้านค้าเด็กเรื่อยไปเลยมดขึ้นก่าก็จะใหม่เลยอย่างก็คือเป็นลม ได้เลยคอเป็รสืองตี๋สองตีทคอมีห้ปลูกองคนมันไม่ได้เปเรียนนอกแต่ลูกชายคนโตว่าจะไปขึ้นปี้ไปได้ก็ดีไปไม่ได้ครับีคือเป เ, เื่อเสียหายตรงที่เขาไม่ได้ไปมีเยอะกว่าคนที่ไป เพือแต่ก็มีความตั้งใจอย่าเถ้าไปได้ก็ดี้าไปได้แต่ทาไม่ได้ก็ยังพยยามตัอย่างเดียวอย่านี้ก็เดีวนี้เรื่องลูกก็ไม่ได้กังวลเท่าไหร่กังวลเรื่องตัวเองว่าภาวนา้นมันไม่ได้หลังใจเพียงให้ใจนะครูต้องติดตั้งแตเขาติดจับมงั้นครูเอาไม่อยู่ความพียมันจะน้อยับ มือเย็นเลยถ้าเดกเดจกกินอยู่นี่ข้ามนี่ลงไปมันโยงทุกทีแต่ก็ายายามรักษาแหละมันเีมื้นรถที่วิ่งเนื่องจะให้มันวิ่งเนื่องรที่วิ่งนอกเหนื่ได้เนื่องรถเยอะไแดงเยอะืสแยกกระแดงเนีแ้ต้องประหยดไปถ้าอยากลาลแบบแบบถ้าอยากให้มันวิ่งเลยก็ต้องต้องไปอยู่ตาอยู่เท้าอยู่วัด เรื่อนงานที่ผมทานี่ทุกวันละนักแต่ลูกผักทุกกลุ่มเขอนะครับที่คนจะได้มาแบ่งทำมันไม่แบบรับรู้แล้วก็ทำใจกลางน้าที่ได้ขไหนก็ทำงั้นถ้าแบบก็ก็ไม่ฉลาดการทำก็ต้องกับเราไล้ั